ทดลองเสียงไม่ทราบทางศาลาหลังนู้นได้ยินหรือเปล่าได้ยินน ะ, ะได้สบายนั่งตรงไหนก็ได้ข้อสำคัญขอให้ได้ยินเสียงการที่พวกเรามาฟังเทศฟังธรรมกัน มาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนาก็เพื่อใจของเราที่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเป็นสิ่งที่ อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันที่จะจากเราไปไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่จะไม่อยู่กับเราไปตลอดแต่ความหลงของพวกเราทำให้เราไม่รู้จักใจของพวกเราเราถูกความหลงหลอก ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการดูแลรักษาร่างกายของเราและทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขผ่านทางร่างกายของเรา แต่ไม่ว่าเราจะดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนก็ตามร่างกายของเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดและความสุขต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายก็ต้องหมดไปเช่นเดียวกัน เวลาที่เกิดความสูญเสียทางร่างกายสูญเสียความสุขทางร่างกายสูญเสียร่างกายไปเวลานั้นใจก็จะมีความทุกข์อย่างมากเพราะใจมีความยึดติดกับสิ่งที่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 เราก็จะได้รู้จักความจริงนี้ว่าใจของเรานี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะความสุขของใจและความทุกข์ของใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือน ช้างกับหนูความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นเหมือนช้างส่วนความสุขความทุกข์ของร่างกายเป็นเหมือนหนูความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับความสุขความทุกข์ของจิตใจได้เลยต่อให้มีความสุขทางร่างกาย ระดับมหาเศรษฐีระดับราชามหากษัตริย์ mm. ก็จะไม่สามารถต่อสู้กับความทุกข์ของใจได้ mm. เวลาที่ใจทุกข์ที่เกิดจากความอยากในสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพาก จากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบจากบุคคลที่รักจากบุคคลที่ชอบเวลานั้นต่อให้เป็นราชามหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีก็จะไม่สามารถที่จะเอาความสุขของราชามหากษัตริย์ของเศรษฐีนี้มาสู้กับความทุกข์เมื่อดับความทุกข์ของใจได้เลย ในทางตรงกันข้ามเวลาที่มีความสุขทางใจต่อให้ร่างกายมีความทุกข์ขนาดไหนก็ตามต่อให้ร่างกายแก่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยให้ร่างกายตายไปความทุกข์ทางร่างกายก็จะไม่สามารถมาต่อสู้ ลบล้างความสุขทางใจได้ความสุขทางใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าจนทำให้ไม่รู้สึกความทุกข์ของทางร่างกายเลยนี่คือใจของพระพุทธเจ้าละใจของพระอาหารหันต์ปสาวกทั้งหลายที่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการดูแลรักษาใจไม่ให้ทุกข์ ให้ใจมีความสุขตลอดเวลาให้ใจมีปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาพอไม่ว่าพอเกิดความทุกข์ทางร่างกายจึงไม่เป็นปัญหากับใจที่มีปรมังสุขขังเลยเวลาที่พระอรหันต์เวลาที่พ ร, ร, ระพุทธเจ้ า, าสเสดงจดับขันธ์ท้าปรนิพานท่านอ ท่านนิพพานได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จละสังขาราสเสด็จสู่พระปรินิพานก็ท่งประทับอยู่ในออริยาบท์ท่าสีหาสายสายญาตจิตพระไทยของพระองค์นี้ไม่สะทกสะทานต่อความตายของร่างกาย มีสติปัญญาดูการสิ้นสุดของร่างกายด้วยใจที่เป็นอุเบกขาไม่มีความกลัวไม่มีความทุกข์เลยเพราะพระไทยของพระองค์ได้รับการดูแลได้รับการอบรมจนไม่มีอาการของความอยากปรากฏขึ้นมาเลย ไม่เหมือนกับใจของพวกเราที่เป็นปุถุชนธรรมดาสามัญเวลาเราใกล้ความตายนี่ใจของเราจะอกสั่นขวัญแขวนเตื่นตนกหวาดกลัวไปอย่างมากนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ ดูแลรักษาใจไม่ได้สอนใจไม่ได้อดลมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาไม่ได้สอนใจให้กำจัดความอยากเช่นวิภาวะตัณหาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอต้องมาสัมผัสกับความเจ็บตอนที่ใกล้าตาย ก็เกิดอาการทุรนทุรายเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเป็นอย่างมากนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณากันเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วพวกเราก็จะต้องเข้าสู่สนามสอบเข้าสู่สนามลบ ต่อสู้กับวิภวะตัตันหาตัวนี้คือความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมพอเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะทำข้อสอบไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกฝนอบรม อยู่เรื่อยๆจนเรามีความชํานาญเวลาเข้าห้องสอบก็จะทําข้อสอบได้อย่างง่ายดายจะผ่านความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้อย่างสบายเพราะใจจะไม่ผลิตความอยากขึ้นมาจะไม่ผลิตความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายใจยจะอยู่ในภาวะของอุเบกขาสักตวารุภาวะอุเบกขาสักตวรุนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในเบื้องต้นก็เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องคือการควบคุมใจควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยาก ไม่ให้คิดไปในทางความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายในเบื้องต้นก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อนด้วยการใช้อบายของกรรมฐานที่มีอยู่40ชนิดด้วยกันเป็นอุบายสำหรับการเจริญสติเพื่อควบคุมความคิด เพื่อทําใจให้เป็นออเบคากรร ม, มฐานสี่สิบนี้ก็แบ่งหลายเป็นหลายกลุ่มกลุ่มแรกนี้ก็เรียกว่าอนุสติมีอยู่สิบประการด้วยกันสิบข้อสิบชนิดเช่นอนาปนาสติคือการ <c oughs> รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าพุทธานุสติ ก็คือการระลึกถึงพระพุทธคุณจะระลึกด้วยการสวดอิติปิโสอาลังสัมมาสวาขะอิติปิโสภะกวาอาลังสัมมาสัมพุทธโธไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติ ถ้าธรรมานุสติก็คือการสวดบทพระธรรมคุณสวากขาโตภะวตาธรมโมสันคติโกอย่างนี้ไปหรือจะบริกรรมธรมโมธรมโมธรมโมไปภายในใจก็ได้ถ้าเป็นสังขานุสติก็คือการสวดสุปฏิปันโนอุชุยายะ สามีจิตปฏิปันโนไปก็เรียกว่าเป็นสังขานุสติหรือจะบริกรรมสังโฆสังโฆไปก็ได้หรือจากจะเจริญทั้งสามส่วนไปด้วยกันก็ได้เช่นส่วนอิติปิโสแล้วก็สวดสวากขาโตแล้วก็สวดสุปฏิปันโนแล้วก็กลับมาส่วนอิติปิโสใหม่สวดไปเรื่อยๆ สวยไปเพื่อให้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆสวดเพื่อให้ใจหยุดคิดให้ใจเป็นอุเบกขาหรือจะบริกรรมพุทโธธรรมโมสงโกไปก็ได้อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมในเวลาเดินเราอาจจะบริกรรมแต่เวลานั่งเราอาจจะ ใช้อนาปานสติก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกแทนการบริกรรมก็ได้ถ้าเราเหนื่อยกับการบริกรรมหรือว่าไม่ถูกใจ ก, กับเราเราก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ในเวลาที่เรานั่งสมาธิแต่ถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิเราทำภารกิจต่าง เราจะใช้การบริกา ร, รพุโทโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้หรือเราจะใช้กายกตาสติก็ได้ก็คือให้มีสติเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไม่ว่าร่างกายกําลังกระทำอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าดูการกระทำของร่างกายนั้นไปเพื่อควบคุมไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเอง พยายามดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นที่ตั้งของความสงบอดีตไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความสงบอานาคตก็ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความสงบใจจะสงบได้ต้องอยู่ในปัจจุบันเช่นเวลาที่เราเคยนั่งสมาธิแล้วสงบพอวันใหม่ครั้งใหม่เรามานั่งใหม่เราอยากให้สงบเหมือนเดิม แต่แทนที่จะดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันด้วยการดูลมหายใจเข้าออกเราก็ไปคิดถึงความสงบที่เราเคยได้มาในในอดีตอยากจะให้ความสงบนั้นเกิดขึ้นมาเหมือนกับในอดีตยิ่งคิดยิ่งอยากก็ยิ่งไม่เกิดขึ้นมาหรือไปจ้องรอดูว่าเมื่อไหร่ความสงบจะเกิดสักที อันนี้ก็สงใจไปอนาคตนะคเราต้องอยู่ปัจจุบันถ้าอยากจะทำใจให้สงบการเจริญสตินี้ก็เป็นการดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันซึ่งเราจำเป็นจะต้องทำตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะตอนที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะว่าถ้าเรามาเจริญสติในขณะที่นั่งสมาธินี้เราจะสู้กำลังของ กิเลสตันหาไม่ได้กิเลสตันหาที่เคยดึงเคยลากให้เราไปคิดถึงเรื่องต่างๆนั้นก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลาจะให้รถจอดทันทีทันใดนี้มันไม่จอดง่ายๆถ้าเหยียบเบรกกว่าจะจอดก็ต้องใช้ระยะเวลาใช้ระยะทางพอสมควร ลดถึง จ, จอดได้ชั้นใดใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราจะรอเวลามานั่งสมาธิแล้วค่อยมาแตะเบรกเมื่อเจริสติเอนั่งไปได้ไม่ได้ก็จะสู้ความฟุ้งซ่านไม่ได้เพราะยังหยุดความคิดตรุงแต่งไม่ได้ก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราคอย แต่เบอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่จะจอดนี้ก็จะรถก็จะจอดได้อย่างง่ายดายเหมือนกับใจของเราที่เราต้องการให้เข้าสู่สมาธิถ้าเราคอยลดความคิดปุงแต่งให้น้อยลงไปเรื่อยๆด้วยการจารสติอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเราจะอยู่ในเอเรียบนใดไม่ว่าเราจะทำอะไร ให้เราใช้สติดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้หยุดความคิดหรือให้คิดให้น้อยลงไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอมาถึงเวลาที่นั่งสมาธิก็จะสามารถทําใจให้นิ่งให้สงบได้อย่างง่ายดายนั่งเพียงห้านาทีสิบนาทีจิตก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้ เป็นอุเบกขาได้ระ ง, งับความอยากต่างๆได้อันนี้แหละเป็นเป้าหมายของการภาวนาของการเจริญสติของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้ระ ง, งับความคิดปุงแต่งระงับความอยากต่างๆเช่นกามตันหาภาวะตันหา และวิภาวะตันหาให้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการระ ง, งับเพียงชั่วคราวก็ตามแต่ก็จะมีอนิสงส์มีประโยชน์อย่างมากต่อการที่จะใช้ปัญญามาทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจอย่างท้าวรนการที่ ตัณหาที่เป็นผู้สร้างความทุกข์ใจนี้จะหมดไปจากใจได้อย่างถาวอนี้ต้องหมดด้วยปัญญาเท่านั้นไม่สามารถที่จะใช้สมาธิทำให้หมดไปได้แต่ต้องอาศัยกำลังของสมาธิที่จะตัดกำลังของกิเลสตัณหาให้อ่อนลงถ้าเป็นการชกมวยก็ต้องให้นับแปดซะก่อน ถ้าคู่ต่อสู้นี่ถูกนับนับแปดแล้วทีนี้ก็จะสามารถต่อยให้คู่ต่อสู้นับสิบได้อย่างง่ายดายนี่คือความสำคัญของสมาธิขอให้เราอย่ามองข้ามความสาคัญของสมาธิไปอย่าไปคิดว่าเราจ ะ, จะเจริญปัญญาได้เลย โดยที่ไม่ต้องมีสมาธิถ้าเราเจริญปัญญาได้จริงเราต้องบรรลุธรรมได้ไปนานแล้วเพราะโลกเหล่านี้มีปัญญาการเต็มเต็มอยู่ในหัวใจอยู่แล้วรู้จากอริยสัจสี่แล้วรู้จากตายรักรู้จากอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วรู้จากกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วแต่ทำไมเรายังไม่สามารถ ทำลายกามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาให้หมดไปจากใจได้ก็เป็นเพราะว่าใจเราไม่มีกําลังนั่นเองไม่มีกําลังที่จะหยุดกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาพอไม่มีกําลังจะหยุดก็ไม่สามารถที่จะทําลายมันได้ด้วยปัญญา เราต้องมีสมาธิก่อนพอมีสมาธิแล้วพอปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาใจก็จะเห็นทันทีเวลาใจสงบนี้เวลาที่ออกจากสมาธิใหม่ๆนี้ก็ยังสงบอยู่เวลาสงบนี้มันจะเป็นเหมือนน้าที่นิ่งจะไม่มีคลื่น จะใสเหมือนกระจกอแต่พอเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมา ท, าทันทีเหมือนกับปลาพุดขึ้นมาทําให้เกิดลุกคลื่นบนผิวน้ําำถ้าใจที่มีสมาธินี้ใจเห็นโทษของความอยากทันทีเลยพราะเวลาเกิดความอยากนี่มันจะกระเพื่อมทําให้ใจกระเพื่อม ทำให้ใจสะเทือนพูดง่ายๆจะรู้เลยว่านี่คือความทุกข์ไม่ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นตัณหาหรือเป็นกิเลสหรือเป็นอะไรไม่สนใจรู้ว่าไอตัวนี้เป็นตัวที่ต้องกําจัดมันให้ได้และตัวที่จะกําจัดมันให้ได้ก็คือปัญญาเวลาใจกระเพื่อม น, นี้ก็เพราะว่าเกิดความอยาก ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั่นเองพอพอเห็นแล้วว่ามันเป็นความทุกข์ก็จะหยุดได้หรือจะเห็นว่าสิ่งที่อยากได้ก็ไม่สามารถเป็นไปได้เช่นอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ ไอยากให้มันสะเทินใจไปเปล่าๆทำไมเนี่มันจะเห็นอย่างนั้นมันจะเห็นโทษของความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะมันสร้างความสะเทอนใจให้เกิดขึ้นมาก็จะเห็นโทษแล้วก็จะหยุดมันทันทีหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ทันทียอมแก่ยอมเจ็บยอมตายดีกว่า พอยอมแล้วใจก็จะไม่กระเพื่อใจจะไม่สะเทือนใจจะไม่สัน่นใจจะนิ่งสงบสบายไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายนี่คืออ น, นิสงค์ของสมาธิจะทําให้เราเห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้อย่างชัดเจน แต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี่ใจของเรามันสั่นอยู่ตลอดเวลามีคลื่นอยู่ตลอดเวลาพอเกิดความสะเทือนใจขึ้นมาก็จะไม่เห็นความแตกต่างก็เลยจะไม่เห็นโทษของความอยากจะไม่เห็นโทษที่จะไม่เห็นความสะเทือนใจที่เกิดจากความอยากอันนี้ เป็นเรื่องที่เราจะต้องเห็นจากการปฏิบัติถ้าเราไม่ทำใจให้สงบเราจะไม่เห็นความแตกต่างของใจที่สงบกับไม่สงบว่าเป็นอย่างไรและเวลาที่ใจมีความสงบแล้วเวลาเกิดความกระเพิ่มขึ้นมาจะรู้สึกอย่างไร ตอนนี้ใจของเรามันกระเพิ่มอยู่ตลอดเวลาเป็นอาจินเป็นปกติจึงไม่รู้จะรู้โทษของความกระเพิ่มของใจว่าเป็นอย่างไรเวลาใจกระเพิ่มด้วยความอยากแทนที่จะระงับความอยากเพื่อให้ใจไม่กระเพิ่มก็แก้ด้วยการไปกระทำตามความอยากพอทำตามความอยาก ความกระเพื่อมนั้นก็หายไปชั่วคราวอต่เดี๋ยวไม่นานก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาใจก็จะกระเพิ่มขึ้นมาอีกอแล้วถ้าเกิดมีการกระเพิ่มแล้วไม่สามารถตอบสนองความอยากได้เวลานั้นใจมันก็จะกระเพิ่มอยู่อย่างต่อเนื่องจนเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย เราเราเกิดความอยากให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะอยู่อย่างไม่เป็นสุขตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในเอิริยบทใดทำอะไรความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปนี่มันจะกระเพิ่มอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ใจกระเพิ่มอยู่ตลอดเวลาทำให้ใจอยู่อย่างไม่มีความสุข พอเราไม่สามารถทำตามความอยากของใจได้คืออยากทำให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปแต่ถ้าเรารักษาได้พอรักษาหายไปใจก็หายกระเพื่อมชั่วคราวโล่งอกล่งใจไปแต่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเจอโรคภัยไข้เจ็บใหม่อีกรอบหนึ่งก็ต้องเจออย่างนี้ไปเรื่อย จนถึงรอบสุดท้ายตอนนั้นก็จะเขาเพิ่มไปจนถึงวาระสุดท้ายของร่างกายก็จะทุกไปตลอดจนถึงเวลาที่ร่างกายนี้หมดลมหายใจไปเลยอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการที่เราไม่สามารถควบคุมใจให้เป็นอุบเบกขาได้ ด้วยการเจริญสติเพื่อให้เป็นสมาธิและด้วยการสอนใจให้เห็นโทษของความอยากต่างๆและหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราได้มันศึกษามันปฏิบัติมันเจริญสติมันนั่งสมาธิ แล้วก็มันสอนใจให้ไม่ให้มีความอยากเกิดขึ้นมาภายในใจเวลาเกิดความอยากก็ให้ใช้สติสมาธิและปัญญาต่อสู้ไม่ใช่ไปทำตามความอยากเพื่อให้ความอยากระงับไปถ้าเราใช้สติสมาธิและปัญญาต่อสู้กับความอยาก เราจะหยุดความอยากได้แล้วความอยากนั้นก็จะไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนขึ้นมาอีกพอไม่มีความอยากแล้วเวลาที่เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยใจของเราจะไม่กระเพื่อมเลยใจของเราจะไม่ทุกข์เลยใจของเราจะเฉยๆเป็นอุบเบกขา ป่วยก็ป่วยไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาให้หายได้ก็หายไปไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาเลยหายเดี๋ยวก็ต้องกลับมาป่วยใหม่อยู่ดีถ้าไม่หายก็ป่วยมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายขาดก็คือจนกว่าร่างกายจะหมดลมหายใจไปโรคโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็จะหายอย่างปิดทิ้งมันก็จะหมดไป กับการดับของร่างกายใจที่ไม่ได้ดับใจที่ไม่ได้เป็นร่างกายก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไม่ได้ดับไปกับร่างกายใจก็ยังเป็นอุเบกขาเป็นผู้รู้เป็นสักแต่ว่ารู้อยู่เหมือนกับตอนที่มีร่างกายเวลาไม่มีร่างกายใจก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ นี่คือใจที่ได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยการเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็นั่งสมาธิให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อทำใจให้มีอุเบกขาที่แก่กล้าเวลาออกจากสมาธิมาแล้วอุเบกขานี้ จะไม่จางหายไปง่ายๆถ้ามีสมาธิกำลังมากมก็จะใช้อุเบกขานี้ในการที่จะต่อสู้กับความอยากต่างๆเช่<ม>นเราสามารถต่อสู้ความอยากไม่เจ็บได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก่อน เช่เวลาเรานั่งแล้วเวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้เจ็บขึ้นมาตามส่วนต่างๆนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับตอนที่ร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราก็สามารถจำลองเหตุการณ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้คือเรานั่งแล้วเจ็บเราก็ไม่ต้องยาไม่ต้องขยับเพื่อให้ความเจ็บนั้นหายไปเราจะใช้ปัญญาใช้สติ ใช้สมาธิต่อสู้กับความเจ็บของทางร่างกายคือเราจะควบคุมไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาไม่ให้เกิดความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปเราจะรักษาใจให้อยู่ในอุบเบกขาด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาว่า เวทนานี้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจงเป็นอนิจจงก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปเวทนานี้มีอยู่สามรูปแบบด้วยกันมีสุขเขเวทนามีทุกขเวทนาและมีไม่สุขไม่ทุกขเเวทนาเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับภาวะของดินฟ้าอากาศที่มีฝนตกมีแดดออกมีพายุ อันนี้เขาเป็นอย่างนี้เราไปควบคุมบังคับไปจัดการกับเขาไม่ได้เวลาเขาสุขเขเวทนาเราก็จัดการกับเขาไม่ได้คือเราจะอยากให้มีแต่สุขเขเวทนาไปอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะสุขเขเวทนาก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมได้พร้อมเป็นทุกขเวทนาก็เช่นเดียวกัน ก็เหมือนกับสุขขเวทนาเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้ทุกขเวทนานี้ขายไปได้หรือเวลาไม่ทุกขไม่สุขขเวทนาก็เช่นเดียวกันนี่ให้เราใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อปล่อยวางเวทนาทั้งสามนี้เขาจะสุขก็ปล่อยเขาสุขไปเขาจะทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไปเขาจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปล่อยเขาไม่สุขไม่ทุกข์ไป ถ้าเราปล่อยแล้วเราจะไม่มีทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกข์ทางใจจะมีแต่ทุกข์ทางกายทุกข์ทางกายนี้ก็อย่างที่พูดเป็นเหมือนหนูน้ำหนักเท่ากับตัวหนูแต่ทุกข์ทางใจนี้ที่เกิดจากความอยากเกิดจากวิภวตัณหาอยากให้ความเจ็บนี้หายไปจะเป็นเหมือนช้างจะมีน้ำหนักของช้าง ถ้าเราไม่ผลิตความทุกข์ทางใจแล้วความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อจิตใจเลยที่พวกเราทนกันไม่ได้เวลานั่งแล้วเจ็บนี้ไม่ใช่ทนกับความเจ็บของทางร่างกายไม่ได้แต่ทนกับความเจ็บของทางใจไม่ได้ต่างหากเพราะเวลาเจ็บทางร่างกายแล้วก็เกิดความอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไป ก็พยายามที่จะทําอยู่สองแบบก็คือเปลี่ยนนิริยาบถหรือลุกหนีขึ้นไปเลยไม่นั่งแล้วถ้าอย่างนี้มันก็ตอนนี้หนีได้เพราะว่ามันยังเอจัดการกับมันได้อยู่แต่เวลามันเป็นโรคร้ายอย่างนี้เวลาเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมานี้มันหนีไม่ได้ต้องอยู่กับมัน ถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขาไม่อยากจะให้มันหายไม่อยากจะหนีจากมันไปความทุกข์ระดับช้างนี้จะไม่มีจะมีแต่ความทุกข์ระดับหนูคือความทุกข์ของร่างกายเพียงอย่างเดียวเราก็จะสามารถอยู่กับความทุกข์ระดับหนูนี้ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถควบคุมไม่ให้เกิดความทุกข์ระดับช้างขึ้นมาได้นั่นเอง นี่คือการที่เราสามารถที่จะดับวิภาวะตัณหาที่เกิดจากความกลัวความเจ็บได้เราต้องฝึกนั่งไปให้มันเจ็บเจ็บแล้วก็อย่าไปลุกให้เราเจริญสติสมาธิและปัญญาใช้สติสมาธิและปัญญานี้ต่อสู้ ถ้าใช้ปัญญายังไม่เป็นก็ให้ใช้สติกับสมาธิก่อนเช่นเวลาเจ็บก็ให้สวดมนต์ไปให้บริกรรมพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บเล็กๆน้อยๆของร่างกายพอเราไม่สนใจไม่เกิดความอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปก็จะไม่มีความเจ็บทางใจเกิดขึ้นมาก็จะสามารถนั่งอยู่กับความเจ็บนั้นได้อย่างสบาย เช่นเวลาเรานั่งดูภาพยนต์นั่งเล่นไพ่กันนี้น่างกายมันก็เจ็บเหมือนกันแต่เรานั่งได้เพราะว่าเราไม่สนใจเราไม่ให้ความสนใจกับความเจ็บของทางร่างกายเพราะใจของเรากำลังมีสิ่งที่ให้ความสนใจอยู่เช่นดูภาพยนต์ก็ดูอย่างสุดดูอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเกิดอาการปวดปัดสสาวะขึ้นมาก็ยังทนนั่งดูได้ พร อ, อยากจะดูต่อให้มันจบจะปวดขนาดไหนก็ทนได้เพราะว่าไม่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นมาเรายอมรับกับความเจ็บของทางร่างกายได้เพราะเราไม่อยากจะลุกเราอยากจะดูต่อนั่นเองยันใดเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาทางร่างกายเราก็หางานให้ใจทำ ให้สวดมนต์ไปให้บริกรรมพุโทโธไปอย่าให้มันมาคิดถึงความเจ็บของทางร่างกายได้มันก็จะไม่รู้สึกเจ็บมากเจ็บมีความรับรู้อยู่ว่าเจ็บแต่มันไม่ถึงกับทนไม่ได้หรือเวลาที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เราจะนั่งได้นานกว่าปกตินั่งได้นานกว่าตอนที่เรานั่งคนเดียวนั่งเฉยๆนั่งภาวนาไป พอเวลาเรานั่งคนเดียวนี้ใจเราไม่ได้ภาวนาะอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเกิดอาการเจ็บขึ้นมาหน่อยก็เกิดความอยากขึ้นมา ท, ทันทีแต่เวลาเราฟังเทศฟังธรรมนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดอาการเจ็บของร่างกายเกิดขึ้นแต่ใจเราไม่สนใจใจเรากำลังจดจ่ออยู่กับการฟังเทศฟังธรรมเราก็เลยไม่รู้สึกเจ็บมาก เพราะเราไม่ได้ผลิตความจิตทางจิตใจที่เกิดจากความอยากนี้เองดังนั้นเวลานั่งสมาธินี่ถ้าเรานั่งไม่ได้ในเบื้องต้นก็ให้ใช้การฟังเทศฟังธรรมเป็นการกล่อมใจไปก่อนก็ได้ถ้าเราไม่สามารถนั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธได้ใจจะไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ แล้วพอเกิดอาการยังไม่ทันเจ็บเลยบางทีก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาภายในใจเพราะใจไม่ยอมนั่งใจอยากจะลุกอยากจะไปทำอย่างอื่นบางทีนั่งได้เพียงห้านาทีนี้ก็ต้องลุกแล้วเพราะว่าความทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วเกิดความอยากแล้วแต่ถ้าเราฟังเทศฟังํามไปแล้วเรา ให้ความเพิดมีความเพิดเถอะกับการฟังเทศฟังธรรมเราก็จะสามารถนั่งไปได้นานเหมือนกับเรานั่งดูภาพยนตร์แต่ว่าการดูภาพยนตร์ น, นี้มันไม่มีสาระประโยชน์ต่อจิตใจแต่การฟังเทศฟังธรรมนี้มีคุณประโยชน์ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องกำจัดความสงสัยได้ ทำใจให้สงบให้ผ่องใสได้การฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจพอเราเห็นคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการทำใจให้สงบเป็นอูเบกขาเราก็จะเกิดฉันทะวิริยะที่จะภาวนาที่จะนั่งสมาธิให้มากขึ้น เราก็จะให้ความสนใจต่อการเจริญสติเพราะเราจะเห็นคุณค่าของสติว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมใจให้เข้าสู่อเบกขาเข้าสู่ความสงบเราก็จะบ่นเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นไปจนหลับเลยถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะ สามารถนั่งได้นานนั่งได้เป็นชั่วโมงอย่างสบายไม่มีความเดิดร้อนไม่มีความหุดหิดไม่มีความรู้สึกอึดอัดอยู่ภายในใจเลยเพราะเราสามารถควบคุมความอยากไม่นั่งได้นั่นเองปัญหาของคนที่นั่งสมาธิกันไม่ได้ก็คือความอยากไม่นั่งนี่เองใจชอบเคลื่อนไหว ชอบทำนู่นทำนี่ชอบมีอะไรทำพอให้นั่งเฉยๆไม่ให้ทำอะไรไม่ให้คิดอะไรก็จะเกิดความอึดอัดขึ้นมาในใจเพราะเกิดจากตัณหาความอยากไม่นั่งนี่เองอยากไม่อยู่เฉยๆอยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นี่คืออุปสรรคของการนั่งสมาธิดังนั้นเราต้องพยายามจะร่อนสติให้มากควบคุม ความคิดให้ได้ถ้าควบความคิดได้ก็จะควบคุมความอยากได้หรือใช้อุบายของการฟังเทศฟังธรรมช่วยไปก่อนก็ได้แต่เราก็ต้องมีความสนใจที่อยากจะฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมก็ไม่อยากจะนั่งฟังอีกนั่งฟังได้สองสามคก็เบื่อแล้วฟังไม่รู้เรื่องชอบฟังเรื่องนินทากาเล ชอบฟังเรื่องนคร น, น้ำเน่าต่างๆเรื่องคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ชอบฟังเรื่องราวเหล่านี้พอให้มาฟังเรื่องเหตุเรื่องผลก็ไม่ชอบฟังไม่มีรสชาติไม่เผ็ดไม่มันเหมือนกับฟังเรื่องของคนนั้นไปทำอะไรกับคนนี้คนนี้ไปถูกคนนั้นทำอะไรไปแก่งแก้งแย่งชิงดีกัน ไปแย่งสามีแย่งภรรยากันแย่งสมบัติแย่งเข้าของเงินทองกันถ้าได้ฟังอย่างนี้แล้วจะชอบจะตื่นเต้นจะติดตามดูจะติดตามฟังได้อย่างต่อเนื่องนี่คือใจของพวกเราเป็นอย่างนี้ชอบเรื่องราวต่างๆเรื่องราวของกิเลสตัณหาเรื่องราวของการแข่งแย่งชิงดี เรื่องราวของความอิจฉาลิสยาเรื่องราวที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจไม่ได้ทำให้ใจสงบเราจึงต้องควบคุมความคิดเหล่านี้ด้วยการเจริญสติให้มากจะเป็นพุทธานุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้สังคานุสติก็ได้ กายะกะตาสติก็ได้หรือมรณะ น, านสติก็ได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่เจริตของแต่ละท่านบางท่านไม่ถูกกับมรณะ น, านสติก็จเจริญไม่ได้จเจริญแล้วจะทำให้ใจหดหู่ไม่มีกำลังจิตกาลังใจที่จะทำอะไรแต่บางท่านจเจริญมรณาะ น, านสติแล้วจะทำให้กิเล็หมอบจะทำให้กิเล็กลัว กลสนี้มันไม่กลัวอะไรยิ่งเท่ากับกลัวความตายพอคิดถึงความตายนี้มันจะหมอกเลยสำหบางท่านพอคิดถึงความตายนี้ก็ทำใจให้สงบได้เลยอันนี้ก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนที่จะต้องเลือกกรรมฐานแต่ละชนิดที่เหมาะกับตนเป้าหมายก็คือเพื่อให้ใจเป็นอุเบกขาให้ใจสงบ เพื่อจะได้เห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากเวลาใจสงบแล้วเวลาเกิดความอยากใจจะกับเพิ่มขึ้นมาใจจะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีก็จะเห็นโทษของความอยากแล้วก็จะหยุดความอยากได้ก็ เ, เห็นว่าได้อะไรมาก็ต้องได้ความทุกข์มาเพิ่มอีกไม่ใช่ได้ความสุขได้อะไรมา ก็ต้องทุกข์กับความหวงทุกข์กับความหวงและต้องมาทุกกับการสูญเสียทุกข์กับการพลาดพลากจากกันอีกถ้าใช้ปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะหยุดความอยากได้ไม่ต้องการอะไรไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบความเป็นอุเบกขาของใจก็จะคอยดูแลรักษาใจนี้ให้สงบ ให้เป็นอุเบกขาไปตลอดเวลายอดความอยากอะไรขึ้นมาก็จะใช้ปัญญาเข้ามาทำลายใช้อันิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามาทาลายจนไม่มีความอยากหงเหลืออยู่ภายในใจต่อไปเหลือแต่ใจที่สงบเป็นอุเบกขาที่เรียกว่าใจบริสุทธิ์นี้เองใจปสัส จ, จากความโลภความโกรธความหลง ใจปราศจากความอยากต่างๆอันนี้แหละคือผลที่พวกเราจะได้รับกันถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้เราดูแลรักษาใจของเรายิ่งกว่าการดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ยิ่งกว่าการดูแลรักษาร่างกายของเราให้รักษาใจเพียงดวงเดียวนี้ก็พอรักษาใจได้แล้วจะได้ความสุขสุดยอดแต่ถ้ารักษาร่างกายรักษาสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้ก็จะได้รับความทุกข์สุดยอดก็คือความทุกข์ที่จะไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นตายจากชาตินี้ไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่ ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่อยู่ล่ำไปจะต้องอยู่กับความทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราดูแลรักษาร่างกายและดูแลรักษาสิ่งต่างๆตามอำนาจของกิเลสตัณหาเราก็จะได้รับรางวัลก็คือความทุกข์ที่ไม่มีวันหมดสิ้นแต่ถ้าเรารักษาใจของเราเราก็จะได้รับรางวัลก็คือความสุข ที่ไม่มีวันหมดสิ้นเช่นเดียวกันนี่คือผลที่พระพุทธเจ้าและพระอ า, ารานตาสาวกทั้งหลายได้รับแล้วคือปรมังสุขขงังความสุขที่เป็นอนันตการเป็นความสุขที่ถาวรแม้นร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขนี้ก็ยังสถิตอยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินั้นอยู่ใจของเราก็จะได้รับความสุขแบบนี้เช่นเดียวกัน ถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการดูแลรักษาใจของเราด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาคือเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงตอนนี้ จะอนุโมทนาให้พรยถาวาเลวาหาปูวารปปูเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเฟตานังอุปกปติอิจิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสเพปูเรนตสังกปาจันโทปนาวะโสยะถามณีโชติ ราโสยถาสพิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวัฒนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาง คณะกุนนอมากันกี่คนวันนี้สิบคนเหมือนเดิมนะสิบเซ็งสิบเสิงแดงเสือสู้ไม่ถอยนะตามคําสอนของหลวงตาอสู้ไม่ถอยตามใดยังมีลมหายใจอยู่นะอย่าทิ้งธรรมะเป็นอันขาด น, นะธรรมะเป็นที่พึ่งของเราอทําไปตามกําลังของเราอย่าทอดแท้ บางทีอยากจะทำมากแล้วทำไม่ได้เหมือนจะท้อทแท้ถ้าทำไม่ได้ก็ทำเท่าที่เราทำได้ไปก่อนให้พอใจกับกำลังของเราแต่ก็อย่าพอใจนานเกินไปควรจะขยับบ้าง <c oughs> ควรจะขยับเพิ่มขึ้นเทียะเล็กเทียน้อยไม่ใช่ทำทานมันตะบานอย่างเดียวศีลก็ยังไม่รักษาให้ครบภาวนาก็ไม่ยอมจเจริญเล ย, ยเอ่นะอ่ดี มันเกิดจากการภาวนาเกิดจากการปฏิบัติของเรานะมันไม่ได้เกิดจากครูบาอาจารย์ไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าต่อให้เรากราบไหว้ครูบาอาจารย์กราบไหว้พระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่เกิดท่านเป็นเพียงผู้บอกทางบอกวิธีการภาวนาการปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลขึ้นมา ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากไปท่านก็ตัดไว้แล้วว่าพวกเราจะไม่อยู่ปราศจากศาสดากันเราจะมีศาสดาอยู่กับเรามาตลอดเพราะธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองเช่นเดียวกับคำสอนของหลวงตาก็เป็นตัวแทนของหลวงตาดีๆนี่เองถ้าเราศึกษา อ่านหนังสือธรรมะของหลวงตาฟังเทปของหลวงตาก็เป็นเหมือนกับหลวงตายังอยู่กับเราเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของหลวงตาเท่านั้นเองหลวงตาใช้ร่างกายนี้เป็นสือ่อเชื่อมต่อกับพวกเราติดต่อกับพวกเราพอไม่มีร่างกายท่านก็ไม่สามารถที่จะติดต่อแบบสดๆได้เราก็เลยต้องติดต่อแบบ อ, อัดเทปกันก็คือติดต่อ ธรรมะของท่านที่ท่านได้พูดได้แสดงไว้ในเทปในซีดีในวิดีโอในหนังสืออันนี้เป็นตัวแทนเหมือนกับได้อยู่กับท่านเหมือนเดิมก็ให้เราพยายามศึกษากันอยู่ได้เรื่อยควรจะบังคับให้ให้มีเวลาศึกษาทุกวันทุกเวลาอย่างน้อยวันหนึ่งต้องควรจะฟังเทสักครั้งหนึ่ง เปิดเทปของหลังตาเลือตอนนี้ยังมียังมีถ่ายทอดอยู่ก็เปิดดูเปิดฟังได้เขาก็เอาเอาเทปที่อัดไว้มาเปิดให้เราดูกันก็เหมือนกับท่านอยู่กับเราดีๆนี่แล้วเราจะมีกำลังใจเราจะไม่รู้สึกว่าเวไม่มีที่พึ่งเวลาได้ยินได้ฟังธรรมของท่านนี้มัน ทำให้เรามีความอบอุ่นใจมีความสุขใจมีฉันทะวิริยะมีความพอใจมีความยินดีที่จะทําบุญให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเลยเราจะรู้สึกเหนาจะรู้สึกว่าเหวเราจะไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะทําบุญที่จะภาวนากัน เราจะถูกอำนาจของกิเลสตัณหามาครอบงำจะมาชวนให้เราไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแทนเที่ยวมันก็สุขเดียวเดียวพอกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมก็ต้องออกไปเที่ยวเรื่อยๆต่อไปสังขารร่างกายมันแก่มันไปเที่ยวไม่ไหวแล้วมันจะทำยังไงอยู่บ้านก็ทุกออกไปข้างนอกก็ไปไม่ได้ แต่ถ้าเราภาวนาเป็นต่อไปสังขารร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปไหนไม่ได้เราก็ยังภาวนาได้เราก็ยังมีความสุขได้นี่คือคุณประโยชน์ของการภาวนาจะเป็นที่พึ่งของเราในยามยากเวลาที่เราไม่มีเงินทองใช้เวลาที่ร่างกายสังขารไม่สามารถตอบสนองตันหาความอยากได้เรามีการภาวนาทาใจให้สงบ ทำใจให้สุขซึ่งเป็นความสุขของช้างดีกว่าความสุขของหนูแต่ความทุกข์นี้มันจะไม่มีถ้าเราภาวนาเป็นเราจะ ด, ดับความทุกข์ทางใจได้แต่ถ้าเราภาวนาไม่เป็นเวลาเกิดความอยากแล้วไม่สามารถตอบสนองความอยากได้มันจะสร้างความทุกข์ระดับช้างขึ้นมาภายในใจของเรา เรืตต้องรีบขวนขวายภาวนากันเจริญสติกันทำใจให้สงบกันสอนใจให้ฉลาดให้เห็นโทษของความอยากว่าเป็นผู้ผลิตความทุกข์ประดับช้างให้กับเราอย่าเป็นคุณค่าของความอยากด้วยการตอบสนองความอยากอยากจะเที่ยวก็เที่ยวอยากจะดูก็ดูอยากจะฟังก็ฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานก็ดื่มรับประทาน อันนี้จะเป็นการสร้างความทุกระดับชัางขึ้นมาในเวลาที่เกิดความอยากแล้วไม่สามารถทำตามความอยากได้ถ้าเราคอยคอยกิคอยกำลาบคอยควบคุมความอยากเราไปความอยากมันจะอ่อนกำลังลงไปแล้วก็จะหมดไปในที่สุด ถ้าเราทำตามความอยากมันก็จ ะ, จะเจริญเตอบโตมากขึ้นไปเรื่อยๆความอยากมันจะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่น้อยลงไปการทำตามความอยากนี่เป็นเหมือนกับใส่ปุ๋ยให้กับความอยากใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ของความอยากต้นไม้ก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝืนความอยาก มันก็เหมือนกับการตัดกิ่งตัดก้านของต้นไม้ไม่ให้มันเจริญเติบโตไม่ให้มันงอกงามขึ้นมามันทำได้อย่างมากเวลาเราตัดกิ่งมันมันก็โผล่กิ่งใหม่ขึ้นมาแต่มันจะไม่สามารถโตเติบใหญ่ได้ถ้าเราคอยตัดมันเรื่อยเืยิ่งถ้าเราตัดต้นมันได้มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งยิ่งทำให้มันไม่สามารถเจริญเติบโตได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ตาย ถ้าอยากให้มันตายไม่ให้มันเจริญเติบโตได้เลยต่อไปก็ต้องถอนรากถอนโคนเท่านั้นเองถ้ถอนรากถอนโค น, นได้ก็ต้องใช้ปัญญาต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นโทษเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจจะเห็นได้ก็ใจก็ต้องสงบก่อนมีสมาธิก่อน จะมีสมาธิได้ก็ต้องเจริญสติก่อนแจะเจริญสติได้ก็ต้องมีเวลาการจะมีเวลาได้ก็ต้องหยุดหาเงินหาทองการจะหยุดหาเงินหาทองก็ต้องหยุดใช้เงินใช้ทองถ้ายังใช้เงินใช้ทองก็จะไม่มีเวลามาภาวนาะว่าจะต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองอันนี้แหละเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติของเราเราต้องหยุดหาเงิน หยุดใช้เงินใช้ทองใช้เท่าที่จำเป็นถ้าใช้เท่าที่จำเป็นนี้จะไม่ต้องใช้เงินมากก็ไม่ต้องทำงานมากไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินทองมากก็จะมีเวลาภาวนาพอมีเวลาภาวนาพอใจสงบความลดความอยากได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถที่จะลดการใช้เงินได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะเห็นว่าเงินทองไม่มีความสาคัญเลย เวลาต่างหากที่มีความสำคัญเวลาที่เราจะได้เอามาใช้กับการเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเรามาสอนใจให้ฉลาดให้เห็นโทษของความอยากไม่มีอะไรในชีวิตนี้ที่มีคุณค่ากับเรายิ่งกว่าเวลาเพราะเราต้องมีเวลาเราถึงจะปฏิบัติได้ต้งวันนี้เราถูกกิเลสแย่งเวลาไปหมดกิเลสตัณหายั่งเวลาไปหมดให้เรา ใช้เวลากับการหาเงินหาเงินพอได้เงินมาก็ให้เอาเงินไปใช้กับความอยากของกิเลสอยากได้อะไรก็ซื้อมาอยากดูอะไรก็ดูอยากจะฟังอะไรก็ฟังใช้เงินซื้อทุกสิ่งทุกอยาก่างพอใช้เงินแล้วพอเงินมันพร่องมันหมดก็ต้องหาใหม่มันก็เลยติดกับดักของกิเลสยราไม่มีเวลาว่างมาจเริยนสติมานั่งสมาธิได้ มาเจริญปัญญาได้แล้ววิธีที่จะหยุดความอยากใช้เงินก็คือทุกครั้งที่อยากจะซื้อของตามความอยากก็เอาเงินนี้ไปทาบุญแทนเช่นวันนี้อยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินนี้มาวัดกันแทนที่จะไปเที่ยวก็มาวัดกันแทนมาทําบุญเงินแทนความอยากเที่ยวก็จะถูกตัดกำลังลงไปต่อไปก็จะไม่อยากไปเที่ยว ก็อยากจะไปวัดไปทําบุญกันพอทําบุญแล้วใจก็จะมีความอิ่มเอิบใจไม่ต้องใช้เงินมากก็จะมีเวลามาภาวานาได้มาเจริญสติได้ดังนั้พยายามควบคุมการใช้จ่ายเงินทองของเราอย่าให้หมดไปกับความอยากอย่าให้หมดไปกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะ อย่าให้หมดไปกับของฟุ่มเฟือยต่างๆเราจะใช้ให้ใช้กับของที่จำเป็นจ ร, จริงๆเช่นเสื้อผ้าแต่ถ้าเสื้อผ้ามีล้นตู้แล้วก็ไม่ต้องซื้อแล้วบ้านก็มีอยู่แล้วที่ต้องซื้อเป็นประจำก็คืออาหารค่าน้ำค่าไฟถ้าตัดไฟได้ก็ตัดไปเลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้แต่น้ำไฟไม่มีความจำเป็นของผู้บาเพ็ญ ภาวนาวัดหลวงตานีท่านห้ามไม่เอาไฟฟ้าเข้าไปสมัยที่ไปอยู่นั้นช่วงนั้นท่านเข้มงวดกฎการมากท่านจะไม่ให้ไฟฟ้าเข้าไปพราะไฟฟ้าเข้าไปแล้วมันก็เป็นเป็นช่องทางเดินของกิเลสตันหาทัานทีเราต้องควบคุมเราต้องกําหนดการปฏิบัติของเราถ้าเราจะปล่อยให้มันเป็นไป โดยธรรมชาติมันไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ทางนี้มันไม่ไปมันจะไปทางกิเลสตัณหาอย่างเดียวมันจะไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอย่างเดียวเราต้องดึงใจมาดึงมันออกจากการหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะให้มาหาความสงบกันต้องบังคับไปอยู่วัดกันหรือต้องบังคับให้อยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกต้องบังคับภาวนาเมื่อถึงจะภาวนาได้ ถ้าจะรอว่าเออให้เกิดความอยากภาวนาก่อนแล้วก็ภาวนารอไปอีกอีกแสนชาติก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเราต้องบังคับใจเราเราต้องดูพระพุทธเจ้าดูพระอาหารหันตสาวกดูกรูบาจารย์เป็นตัวอย่างท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็มีมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับเราแต่ท่านเห็นโทษของมัน ได้เห็นคุณของการหาความสงบท่านจึงบังคับตัวเองให้ออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายแล้วก็ให้เข้าหาความสุขทางความสงบด้วยการปีกวิเวกด้วยการอยู่ตามสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากสิ่งยั่วยวนกวนใจต่างๆแล้วก็จะเริยนสติอย่างต่อเนื่องเดินโยมคมสลับกับนั่งสมาธิ พอได้สมาธิแล้วก็พิจารณาออกทางปัญญาต่อไปมรรผลนิพพานมันก็ตามมาเนี่ยดูตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาเนี่ยพอหลวงปู่มั่นท่านสําเร็จองค์เดียวพอคนไปศึกษากับท่านก็สําเร็จกันเป็นเป็นพวง ก, กันเลยมีคนนําทางคนเดียวแล้วสบายคนตามมาทีหลังนี่ง่ายมากแต่ต้องบังคับตัวเองให้ไปทางนี้ให้ได้ ถ้าไม่บังคับมันก็จะไม่ไปหมอมีอะไรอยากถามไหมกลัวก็มีกิเลสเนี่ยมีตัณหามีความอยากความอยากก็เกิดจากการที่ไม่มีสติควบคุมมันเนี่ยไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา ก็อยู่ที่กำลังของสติว่ามันสู้กำลังของตันหาได้ไหรือเปล่าถ้าเป็นมหาสติมหาปัญญามันก็ได้ถ้าสติธรรมดาอย่างพวกเรานี้มันไม่พออ่ามันสติของพวกเรามั น, ม, นมีแค่ระดับปกติไม่ไม่มีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น เวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตนีใจไม่เป็นปกติแล้ว อ, อกสั่นควัญแขวนกันแล้วนั่นแสดงว่าสติไม่มีปัญญาไม่มีหรือมีไม่พอที่จะรับกับเหตุการณ์นั้นเราต้องฝึกสร้างสติสร้างปัญญาให้มันอยู่ในขั้นวิกฤตรับกับขั้นวิกฤตต่างๆได้การกินการอยู่ของเราจึงต้องไม่กินอยู่ในแบบภาวะปกติต้องกินอยู่แบบภาวะสงคราม อย่างพระอยู่เนี่ยเหมือนกับอยู่แบบภาวะสงขามอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบมีภัยรอบด้านเป็นมาอยู่ในป่าอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นภาวะปกติแต่มันก็ทำให้เราต้องยกระดับจิตของเรายกระดับสติปัญญาของเราให้รับกับภาวะนี้ให้ได้พอเรารับกับภาวะนี้ได้แนละ้วพอเกิดสงขามขึ้นมาจริงๆเราก็ รู้สึกเฉยเฉยไม่ไม่เดือดร้อนเพราะเราได้ฝึกฝนมาแล้วเหมือนกับทหารเนี่ยเขาต้องฝึกกันก่อนก่อนที่จะเข้าสม ร, รภูมิเขาก็ต้องไปฝึกอยู่ในสถานที่เหมือนกับที่เขาอยู่ในสม ร, รภูมิเหพอเกิดสงครามขึ้นมาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนตอนนี้พวกเราอยู่แบบอิ่มมีพีมัน นีทุกอย่างคอยตอบสนองกิเลสตัณหาของเราพอเราไปอยู่ในภาวะขาดแคลนไม่มีอะไรตอบสนองกิเลสตัณหาก็วุ่นวายกันขึ้นมานี่ลองไฟดับดูสิไฟในเมืองนองดับทั้งเมืองดูดูมันจะวุ่นวายขนาดไหนตาไฟฟ้าในกรุงเทพนี่ดับไฟของไฟเขียวไฟแดงนี่ไม่มีรถจราจรมันเดี๋ยวมันคอยดูสีแยกไหนก็มันจะติดกันงนั้นนะ่ะ เพราะต่างคนก็ต่างอยากจะไปกันเดี๋ยวมันก็ชนกันตรงสี่แยกนั่นรถติดกันยาวพันกันไปทั้งเมืองอน่ยเอาว่ายังไงอ่ะวางไว้อาจารย์ครับมีคนที่ f a c e b o o k ก็ถามมาครับว่าเรื่องการรับประเคนแล้วมาม า, มาประเคนภายหลังนะครับรับไปก่อนแล้วประเคนภายหลังสำหรับอาหารนะครับอาจารอ์เป็นยังไงเนะี่ย าก็คือว่าผิดวินัยหรืออะไรไหมครับเพราะสงสัยครับเรื่องรับของไปก่อนแล้วมาประเคนทีหลังอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับเหมือนกับเป็นเรื่องของพระเขาจะแปลคําของพระวินัยนั่นแหละคือโดยหลักการประเคนนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พระถูกกล่าวหาว่าไปลักขโมยของของผู้อื่นไปหยิบของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตเช่นโยมาตั้งของวางไว้นี่แล้วเ่าไป ไปเมาว่าโยมถวายเราแล้วอย่างเงี้ยเดีย๋วยวโยมกลับมาเราไม่ได้ให้ท่านท่าไหร่ท่านเอ า, าเอาของเราไปท่านก็นเลยบังคับให้มีการประเคนของกันอาจารยนี่คือหลักของการประกันของเพื่อป้องกันไม่ให้พระถูกกล่าวหาว่าทำทำผิดศีลอธินามลักทรัพย์ของผู้อื่นยนันการเวลาญาติโยมเมาอะไรมาก็ต้องยื่นให้กับมือเลย ยื่นหมูยื่นแมวกันเลยเห็นกันจระจะเลยว่านี่ให้ท่านนะเราจะมาตู่เอาทีหลังไม่ได้ว่าว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ทีนี้ของที่ถวายพระเนี่ยมันมีสามชนิดด้วยกันคือของที่มีไอ้ท่านคือท่านต้องการควบคุมไม่ให้พระนี่มีการสะสมของมากจนเกินไป ท่านเลยแบ่งของใช้ไว้สามชนิดด้วยกันของบริโภคของที่มีอายุเพียงชั่วขณะที่รับประเคนมาฉันเช่นอาหารสดต่างๆเนี้ยรับประเคนแล้วก็ต้องฉันให้มันหมดไปในในวาระนั้นถ้าฉันมือเดียวสมมติถ้าถือทุดงขวัตฉันมือเดียวอาหารทั้งหมดที่รับมาประเคนก็จะรับแล้วก็ต้องฉันพอหมดแล้วก็ต้องสละ ไม่ให้เก็บเอาไว้ส่วนอาหารของที่รับแล้วสามารถฉันที่หลังได้หลังจากช่วงของการฉันอาหารเช่นฉันตอนบ่ายเช่นน้ำปาเนะน้ำผ ล, ลไม้อะไรต่างๆนี้ท่านการอนุ ญ, ญาตให้เก็บไว้ได้เจ็ดวันด้วยกันสมัยก่อนนี้จะมีพวกน้ำผ ล, ลไม้นี่จะให้เก็บไว้ไม่ให้ข้ามคืน พมันจะบูดมันจะเสียน้ำน้ำน้าผลไม้ที่คั้นมานี้สมัยก่อนจะไม่มีตู้เย็นเก็บก็เลยไม่ให้เก็บข้ามคืนฉันรับประเคนแล้วต้องฉันให้ให้ให้หมดไปในวันนั้นถ้าไม่หมดก็ต้องสละไปให้ทิ้งไปแล้วก็มีของอีกชนิดหนึ่งที่รับแล้วเก็บไว้ได้ตลอดเวลาก็คือยาต่าง นี่คือหมายถึงของที่บริโภคส่วนอุปโภคเช่นของใช้ไม่สอยนี่ก็รับประเคสแล้วก็เก็บไว้ได้เช่นไม้กวาดแป๊บสบู่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของของที่เราสามารถรับประเคสแล้วก็เก็บไว้ได้ทีนี้ปัญหาของสมัยนี้ก็คือญาติโยมก็ไม่รู้เรื่องวินัยของพระ พระก็เก่งใจ ญ, ญาติโยมญาติโยมมักจะเอาของสี่ชนิดสองสามชนิดมารวมกันในกระเป๋าเดียวกันมีของที่รับประเคนไม่ได้หรือรับประเคนแล้วต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องทิ้งในวันนั้นเก็บไว้ต่อไปไม่ได้ที่ญาติโยมก็อยากจะให้พระรับประเคนเพราะเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้รับประเคนก็จะไม่ได้บุญ การจีงการถวายของนี่ไม่ต้องรอบประเคงก็ได้มาวางไว้ก็ได้แล้วบอกว่าขอถวายท่านมันก็มันก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะทําให้พระไม่ทําผิดพระวินัยเพราะว่าของบางอย่างเช่นเครื่องกระป๋องอย่างเงี้ยมีเจตนาอยากจะถวายให้พระเก็บไว้นานๆเผื่อวันไหนไปบินตบาตไม่มีอาหารก็เอาเอาเครื่องกระป๋องนี้มามาฉันแทนได้ แต่ด้านหนักพระวีนานี้มันเป็นอาหารถ้ารับประเคีนเช้านี่พอเพลิแล้วก็ต้องสละแล้วเก็บไว้ไม่ได้แล้วทีบางทีท่านก็มี ม, มีมีการแปะหรือเลี่ยงบาลีแปะเทคนิคไปว่าอา่ะรับรับประเคีนเพื่อให้ญาติโยมสบายใจแล้วก็เอาให้ลูกศิษย์จาัด ก, การเก็บไว้ในห้องคลังแล้วเวลาต้องการจะฉันก็เอามาให้ลูกศิษย์ประเคีนใหม่ ที่ถ้าอยู่ตาหนักพระที่ท่านเข่งพระวินัยท่านก็บอกว่าอย่างนี้ผิดเอแต่สําหรับพระที่ท่านใช้ใช้ใช้การเหตุใช้เหตุผลใช้เนื่องจากถูกภาวะบังคับอย่างนี้แต่คนที่ยังจะเก็บของพวกนี้ไว้ให้ใช้ต่อไปได้ก็เหมือนกับว่าสละให้ลูกศิษย์ไปแล้วก็ให้ลูกศิษย์มาประเคนถวายใหม่ให้ใหใหทีหลังมันก็เป็นเรื่องของอเรื่องของ เหมือนกับกฎหมายนักกฎหมายมันก็นั่งตีความกันได้แต่ขอให้เราดูที่เจตนาลมเป็นหลักแลกันว่าเราทําเพื่อให้เกิดความโลภมากขึ้นหรือเปล่าเราทําด้วยความโลภหรือเปล่าเราทําเราทําด้วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยธรรมก็มีท่านั้นเรื่องของการรับประเคนล้วประเคนรับประเคนใหม่เช่นของที่หมดอายุแล้ว แล้วก็ต้องฉลาดไปไม่ให้ออกกลับมาประเคนอีกแต่บางทีท่านก็แบบว่าเหมือนกับว่าสละให้ลูกศิษย์ไปถ้าลูกศิษย์ฉลาดก็เอามาประเคนใหม่ได้ถ้าไม่สั่งต้องไม่สั่ง erman. ต้องไม่บอกว่าอให้ออาไปแล้วเอามาประเคนใหม่ไม่ได้แต่ถ้าบอกอะอันนี้ยกให้เธอแล้วแต่ลูกศิษย์ฉลาดหรือว่าหลวงพี่ต้องกินไอ้นี่ต่อก็เอามาถวายหลวงพี่ใหม่าเป็นของเขาแล้วเนี่เป็นของลูกศิษย์แล ลูกศิษย์อยากจะทำบุญอย่างเงี้ยก็เอามาประเคนใหม่ได้ที่เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นมันความจริงจะว่าเป็นเรื่องสำคัญก็สาคัญถ้ามันเพราะว่ามันมีทรมันมีไว้เพื่อปลามกิเลสแต่ถ้ามันไม่ได้ทำทำด้วยกิเลสมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยใช่มมันก็อยู่ที่อยู่ที่เรื่องว่ามันทำเพื่อ ทำเพื่อกิเลสแล้วป่ะบางคนรักบางคนหวงของได้มาแล้วก็หวงอันนี้ก็ไปอีกอย่างแต่บางครั้งถ้าเอากลับมาฉันเพราะว่ามันยังฉันได้แล้วยังมีความจําเป็นจะต้องฉันถ้ามันไม่มีจะฉันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็มันก็อนุโลมกันได้แต่เราก็ว่าจะไม่ไปถกเถียงกับใครในะเรื่องศีลนี่เราไมา่ค่อยอยากจะพูดมากเรื่องวินัยเนี้ยถ้าพูดแล้วมันก็ ทำให้สงแตกแยกได้สงที่แตกแยกที่อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วแตกเป็นสองฝ่ายไม่ยอมมีความเห็นแตกกันในในพระวิ น, นัยทั้ ง, ท, ง, ท, งที่พระพุทธเจ้าบอกพอละพอและ้และหยุดได้แล้วต่างคนต่างอยู่คนไปก็ไม่ยอมฟังจนพระพุทธเจ้าต้องตีบไปอยู่คนเดียวไปอยู่กับช่างกําลิงจนชาวบ้าน สงสัยว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงต้องไปอยู่คนเดียวก็เลยมาทราบว่าพระไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าไม่ยอมเลิกทะเลาะวิวาสกันชาวบ้านก็เลยไม่ใส่บาตรเพราไม่ใส่บาตรก็เลยเห็นโทษของการที่ตนเองไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็เลยกลับไปขอขอมาลาโทษให้พระพุทธเจ้ากลับมายอมสงสายยอมยอมกันคือ ทำความเข้าใจกันแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลของตนเราจำไม่ได้แล้วเป็นกรณีอะไรเรื่องอะไรแต่มันไม่มันไม่ต้องถึงแข่งถึงขนาดที่จะต้องมาทะเลาะกันกณอยากจะเข่งของคุณถ้าคนอื่นเขาไม่แข่งด้วยคุณก็เข่งของคุณไปก็แล้วกันก็จบคนไม่เข่งก็ปล่อยเขาไม่แข่งเขาไปถ้าคุณคิดว่าอยู่ของเขาไม่ได้คุณก็แยกตัวของคุณไปอยู่ของคุณคนเดียว คุณอยาจะเข้งขนาดไหนก็เข้งไปซึ่งบางทีความเข้งมันก็ดีแต่ถ้าเข้งมากเกินไปจะขค้างอยู่กับใครไม่ได้มันก็ไม่ดีมันก็ต้องมีทางสายกลางพอดี ก, ก, อก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่สำคัญก็าบอกสำคัญเพียงแต่ว่า อย่าเอาพระวินัยมาฆ่ากันอันนั้น Higher. มันมันมันมันเกินไปนะมาทำลายกันมาทำให้แตกแยกกันอันนี้มันเกินไปแล้วมันสำคัญแต่มันก็ไม่ใช่เป็นตัวที่จะทำให้เราดุจพ้นได้ว่าจะทวิจรณ์เพราว่ามักขับจิตนันแหละมักขับจิตนปิด ทางนักมันก็ต่อบต้ตานที่เกี่ยกัสุขภาพดบอกว่าถ้าบังคับให้มันเอบังจะ็กเลี่ยนเที่ยเสร็จมันก็ไม่ิไม่สบายไม่สบายมันก็ป่วยป่วยเอก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอ ม, มันไปได้แต่มันไม่ยอมไปกันเองมันไม่ยอมทนฟันฝ่ากับความรู้สึกเกิดอัดอะไรต่างๆเหล่า น, นี้ มันเป็นเป็นเป็นมายาเป็นอุปสรรคมายาถ้าเราไม่ไปนสนใจมันเราจเจริญสติของเราไปเดี๋ยวของพวกนี้มันจะหายไปเองแต่เรามันขี้เกียจที่จ ะ, จะเจริญสติกันสตินี่แหละเ ป, เ, ป เ, ปเป็นกุญแจสำคัญที่สุดถ้าเราจเจริญสติได้แล้วความอึดอัดความเครียดความไม่อยากอะไรต่างๆนี้มันจะถูกทาลายไปหมด ทำไมเราท่องพุโทโธพุโทโธไปแค่นนี้ทําไมท่องกันไม่ได้เราไปคิดถึงเรื่องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่กินนั่นกินนี่คิดคิดกันได้ทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นความคิดเหมือนกันแค่นี้เองก็ขอให้เราคิดพุดโทโธพุโทโธก็ได้เป็นหมอก็คิดอาการสารสิสามก็ได้กลับมาเรียนอะนาตมีีใหม่ก็ได้ มาดูผมขนเล็บวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดท่องแต่ชื่อมันไปก่อนก็ได้ให้ใจมันอยู่กับอาการสามสิบสองมันก็จะไม่อึดอัดเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่อึดอัดมันก็เพลินเวลานั่งคิดหาเงินหาทองนี่นั่งได้ทั้งวันคิดได้ทั้งวันใช่ไหมเพลินกับการคิดหาเงินหาทอง แต่พอให้นั่งอยู่กับพุทธโธพุทธโธนี่มันไม่ได้อ่ถ้าไม่ชอบพุทธโธก็เอาสวดมนต์ไปไม่สวดมนต์ไปก็ท่องอาการสามสิบสองไปก็ได้หรือจะท่องพระสูตรก็ได้เอาพระสูตรมามาอ่านแล้วก็มาท่องจําไว้เหมือนกับเราท่องสูตรคูนนี้พระสูตรนี่เราก็เอาพระสูตรที่แปลเป็นภาษาไทยมาอ่าน แล้วเราก็ท่องให้มันขึ้นใจแล้วเราก็นั่งเวลานั่งสมาธิเราก็ท่องพระสูตรไปพอมันมีงานทํามันก็นั่งได้และการท่องพระสูตรนี่ก็จะทําให้เกิดปัญญาด้วยเกิดความสงบด้วยมันจะสงบถึงแม้ว่าจะไม่สงบเต็มที่แต่มันก็ทําให้ความอึดอัดความอะไรต่างๆนี้มันหายไปทําให้นั่งเฉยๆได้นั่งอยู่การสวดได้อยู่กับการท่องได้ สมัยโบราณท่านถึงใช้การท่องพระไตรปิฎกนี้เป็นเป็นอุบายให้ให่เจริญสติกันสมัยก่อนไม่มีหนังสือการสืบทอดคําสอนก็เลยต้องสืบทอดด้วยการท่องพระสูตรกันแต่ละองค์ก็อาจจะแย่งกันองค์นี้ท่องสูตรนี้สูตรนี้องค์นี้ท่องสูตรนี้สูตรนี้คำสอนของพระเจ้าที่ได้รับการสืบทอดมาก็เกิดจากการท่องของพระนี่ อันนี้ก็เป็นอุบายของการทาใจให้สงบเป็นการทำใจเป็นการเจริญสติสมาธิแล้วก็ปัญญาไปด้วยพอท่องไปแล้วก็จะเข้าใจความหมายจะจำคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็จะสามารถนำเอามาปฏิบัติได้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ะจะรู้ว่าออกกำลังเกิดจากความอยากก็พิจารณาหาเหตุหาว่าอยากกับเรื่องอะไร พอรู้ว่าอยากคำเรื่องนี้ก็ก็พิจารณาต่อไปว่าอยากเราจะได้อะไรได้ดังใจหรือไม่ถ้าไม่ได้ดังใจก็อย่าไปอยากมันเสียก็หมดเรื่องถ้าได้ดังใจเดี๋ยวมันก็อยากใหม่อีกมันก็อย่าไปอยากดีกว่ามันก็จะเห็นโทษของความอยากเองมันก็จะหยุดความอยากได้ <c oughs> มันมีทางไปได้เรา ที่ทางไหนแล้วก็ไม่ไปโดยทั้งทางนี่ยมันก็ไม่รู้จะว่าไงทางนี้ก็ไปไม่ได้ทางนั้นก็ไปไม่ได้มันจะไปแต่ทางของดูภา พ, พยนตร์ฟังเพลงกินเดืนเที่ยวอย่างนี้มันจะไปทางนั้นอย่างเดียวพอให้มาทางธรรมะให้สวดมนต์ก็ไม่สวดให้บริกรรมพุทธตก็ไม่บริกรรมให้ฟังเทศสั่งธรร ม, มก็ไม่ฟังให้ท่องพระสูตรก็ไม่ท่องอันนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะ่ะ สติปฐานสี่นี้ก็ดีธรรมจักก็ได้ธรรมจกกัรรมจกก็แสดงเรื่องมรรคแปดเรื่องอริยสัจสี่สติปฐานสี่ก็แสดงการการเจริญสติสมาธิและปัญญาใ น, ในท้ายพสูตรของสติปฐานท่านก็แสดงไว้ผู้ใดปฏิบัติตามที่ทรงแสดงไว้ได้ก็สามารถบรรลุได้ ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนไม่เจ็ดปีเ น, นี่ยประสูตรสำคัญมีคุณค่าทำให้มักบรรลุมักผลทีล่ผ่านได้เจ็ดปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนยังไม่มีใครสนใจจะศึกษากันเลยแต่หนังล่าสุดนี่ฉายที่ไหนนี่ตามติดตามกัน แต่พระสูตรที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นนี่กลับไม่มีใครสนใจเราวิชาทรงพยายามรว้เลยรับรองเลยไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากถ้าจเจริญถ้าปฏิบัติจเจริญสติสมาธิปัญญาตามแนวที่ทรงสอนในในสติปัฏฐานสูตรได้เราไปค้นดูสติปัฏฐาน สูตรแล้วลองดาวน์โหลดมาปิมพออกมาแล้วลองม า, าอ่านแล้วลองท่องมันดูแล้วเวลานั่งสมาธิก็ลองใช้การท่องพระสูตรนี้ไปภายในใจสมัยที่เราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆแล้วก็ท่องพระสูตรอันนี้ใหม่ๆก็นั่งไม่ได้เหมือนกันนั่งได้เดี๋ยวเดียวมันก็ไม่อยากจะนั่งแล้วก็เลยคิดอุบายขึ้นมาพอดีด้นนั้นอ่านสติปัฏฐานสูตรอยู่พอดีดเป็นภาษาอังกฤษก็เลยท่องมันทั้งสูตรเลย ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีท่องทั้งพศเนี่ยพอท่องเสร็จแล้วมันใจก็เย็นสบายนั่งต่อได้นะนั่งดูลมต่อได้เลยเข้าใจเลยว่าหลักของเราก็คือความคิดของเรานี่เองคิดไปในให้ใจไม่สงบก็ได้คิดไปให้ใจสงบก็ได้คิดไปในทางความโลกโกรธหลงมันก็จะฟุงะ้งซ่านถ้าคิดไปในทางธรรมะมันก็เย็นสบาย มันอยู่ความคิดของเราเนี่ไม่ได้อยู่ตรงไหนถ้าเราควบคุมความคิดได้เราก็สามารถควบคุมความทุกข์ความสุขได้เพราะความทุกข์ความสุขก็เกิดจากความคิดนี่คิดไปในทางความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคิดไปในทางความไม่อยากก็เกิดความสุขขึ้นมาก็มีเท่านี้เองเหมือนกับรถยนต์ความคิดของเราเป็นเหมือนรถยนต์ขับให้มันตกเหวก็ได้แหกโค้งก็ได้ ผ่าไฟแดงชนกับรถคันนั้นคันนี้ก็ได้หรืจะขับให้มันไปอย่างแคล้วคลาปลอดภัยไม่มีไม่มีอุบัติเหตุก็ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่คนขับคนขับส่วนใหญ่มันไม่มีสติกันมันเหมือ น, นคนเมาเหล้ากันคิดดูได้ถ้าคนที่ขับรถบนท้องถนนถ้าคนเมาเหล้าแล้วขับกันเนะี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นแหะบ้านเมืองของพวกเราทุกวันนี้คนของเราที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็เหมือนคนเมาเหล้าดีๆนี่เองอ เมากับความเมากับลาบยศสรรเสริญเมากับความสุขทางตาหูจมูกมิ้งกายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากการที่ไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้งกายนี้เองไม่มีมาจากเรื่องไหนหรอกถ้าไม่เมาแล้วก็อยู่บ้านสบายไม่ต้องออกไปนอกบ้าน ถ้าท่านปฏิบัติไปแล้วท่านก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเห้ น, นกับหมอรู้ว่าที่หมอปวดหัวเพราะว่าหมอไปกินอหมอไปกินอะไรสักอย่างอย่างเนี้ยพอหมอรู้แล้วหมอยังจะกินอีกหรืเปล่าเห็นไหมก็หยุดกินแล้วปวดท้องไม่ใช่ปวด ห, วหัวปวดท้องดีกว่าเรามาพิจารณาดูไอ้กินไอ้นี่เท่าไรปวดท้องทั้ง ท, งทีพอไม่กินมันไม่ป่วดนี่ยแล้วหมอจะไปกินมันแล้วเปล่า อันนี้ก็เหมือนกันความทุกข์ใจของเราก็เกิดจากความอยากเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพรใจของเรามันอยากอยู่ตลอดเวลาทุกอยู่ตลอดเวลาจนเลยไม่รู้ว่าเวลาไม่ทุกมันเป็นยังไงมันก็เลยไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความของความทุกข์ใจแต่พอมาทําใจให้สงบปั๊บนี้ความอยากสงบหยุดอยากไปชั่วคราวนี่จะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบพอ พอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันหายไปความทุกข์เกิดขึ้นมามันจะรู้ทันทีเลยนี้ออที่เราไม่สบายใจนี้ก็เพราะความอยากของเรานี่เองมันก็หยุดความอยากไปใครอยากจะทุกข์บ้างใครอยากจะเจ็บบ้างนั่นแหละท่านถึงบอกว่าสมาธินี้มีประโยชน์มีอา น, นิสงส์มากต่อการเจริญปัญญา แต่ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าความทุกนี้เกิดจากความอยากอันนี้สมาธิสอนไม่ได้สมาธิไม่เป็นตัวที่จะบอกเหตุบอกผลตัวที่จะบอกเหตุบอกผลก็คือปัญญาสมาธิเพียงแต่หยุดหยุดทุกอย่างหยุดความอยากหยุดความคิดเท่านั้นเอง พอหยุดแล้วก็รู้ว่าอ๋อตอนที่หยุดความคิดหยุดความอยากนี่มันสบายไม่มีความทุกข์แต่พอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากไม่รู้ไม่รู้ว่าความความอยากนี่เป็นตัวทำให้ทุกข์ใจไม่สบายใจหรือรู้ก็ไม่รู้ว่าจะหยุดมันได้อย่างไรเ่ยต้องใช้ปัญญาค่อยๆพิจารณาดูว่า สิ่งที่อยากได้นั้นมันก็ไม่สามารถจะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงเหมือนกับจะเพิ่มความทุกข์ให้มีมากขึ้นถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่าเช่นอยากจะเดิมชุราอย่างนี้ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่าเดินไปแล้วมันก็สุขเดี๋ยวเดียวแต่มันไม่มันไม่มันไม่สุขไปตลอดเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะเดิมชุราขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ได้เดิมก็จะทุก ถ้าดื่มก็จะหายทุกไปชั่วคราวแต่ก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆแต่ถ้ายอมทุกยอมฝืนต่อไปความอยากนี้ก็จะอ่อนกําลังไปแล้วก็จะหมดไปในที่สุดก็ต้องเห็นโทษไงมันถึงจะเบื่อได้ไม่ใช่ต้องถ้าจะเบื่อต้องดูมันจนกระทั่งเบื่อหรือต้องดื่มมันจะท้องเบื่อมันก็เบื่อตอนนั้นเดี๋ยวเดียวเดีกยวสองวันมันก็หายเบื่อแล้วใช่ไหม ยังให้หมอกินของโปรนี่ให้กินทุกวันดูเนี่ยเดี๋ยวมันก็เบื่อแต่พอหยุดกินสักพักเดี๋ยวมันก็อยากอีกแล้ว<ม>คนเราจรึงเบื่อๆอยากๆไงอยู่กาแฟนนานๆก็เบื่อพอไม่ได้อยู่กันสักพักหนึ่งเดี๋ยก็อยา ก, กแล้วอยากจะเห็นหน้ากันอีกแล้ว <laughs> มันไม่มีวันหายอยากด้วยความเบื่อหรอกมันจะหายต้องเห็นโทษว่อ ทำ ต, ตามความอยากแล้วมันจะทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะหายจากความทุกข์ก็ต้องเลิกความอยากเท่านั้นมันต้องเห็นตรงนี้ ก็ต้องอย่างนี้จะทำยังไงล่ะก็แบบหมอเนี่ยหมอจะรักษาคนไข้หมอคนไข้บอกผมยังอยากจะทุกอยู่เลยผมยังไม่อยากจะกินยาที่หมอให้กินว่าหมอจะทำยังไงหมอบังคับก็ไม่ได้อยากจะทุกก็ทุกไปเพราะไม่มีใครก็ทุกแทนเราถึงเวลาทุกเราเป็นคนทุกเอง นอกจากคนโง่ไปทุกแทนเขาไปทุกก็ร่วมกับเขาไปหลงเป็นห่วงเขาแล้ว น, นะคะแคเกิดแต่ว่าเราทำสมาธิอยู่หรือว่านอนหรือทำกิจกรรมอยู่ะะหาเหตุเหิุยืน ย, ยานเนี้ยถามว่าเออเราจะบ ร, ริกรรมทุกคือเราก็ไม่ได้กลัวมันนะคะแต่ว่าเราบ ร, ริกรรมทุดโชวไปเรื่อยหรือว่า เราจะแผ่เมตตาให้เขาคือดูเฉยๆท่างนั่นเองมันเราดูหนังทําใจให้เป็นอุเบกขาอ่ากระ<ม>ทำนั้นถ้าเราทําได้ไม่ต้องไปแผ่เมตต์ตรงเมตมตาเราเรายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรแเราถึงไม่จะให้มเมตตาเขาละแผ่เมตตาคาว่าเมตตาก็คือเราอย่าไปลากขับไล่สาส่งเขาคาว่าเมตตาก็คือเวลาใครมาเยี่ยมเราเราก็ต้อนรับเขา ใช่นี่เรียกว่าเมตตาคือความมีไมตรีจิตไงคําว่าเมตตาแบบว่าไมตรีเราต้องมีไมตรีถ้าเห็นดวงวิ ญ, ญญาณก็ถามเข า, ามีธุระอะไรต้องการอะไรเหรือจะให้ช่วยอะไรหรือเปล่าดวงวิญญาณเขาก็ไม่มีอะไรรับไปกลัวเขาเองเราก็มินเราก็เป็นดวงวิญ ญ, ญาณแต่เรามีดวงวิ ญ, ญญาณที่มีร่างด้วยมีร่างกายด้วยแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นดวงวิญ ญ, ญาณจริงหรือเปล่า บางทีเราก็เหมาไปหมดเห็นอะไรก็ดวงวิญญาณไปหมดบางทีเห็นเห็นใบไม้ผิวไหนก็วัดดวงวิญญาณมาแล้วควางจริงมันถูกลมพันดหน่อยบางทีตุ๊ ก, กตาตุกแกมันวิ่งอยู่บนเพดานก็ออกมาแล้วดวงวิญญาณมาแล้วอะไรก็ไม่รู้พระเจ้ า, จาบอกว่าให้สักแต่ว่ารู้ได้ยินเสียงก็ต่อเพราะว่ามันว่าเป็นเสียงอย่าไปปรุงแต่งว่ามันเป็นอย่างอื่นเห็นอะไรก็เห็นว่าสักแต่ว่าเห็น อย่าไปปรุงแต่งว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ให้มันบอกเราก่อนว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่เราอย่าไปบอกมันว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่ตอนญานมันไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นล้ที่มันมีการเคลื่อนไหวของมันไปเท่านั้นเองแต่จิตเราไปปรุงแต่งซะแล้วว่าเป็นดวงวิญญาณเป็นเปรตเป็นอะไรมาซะแล้วเพราะเราไม่มีอุเบกขากันเหมือนก็ตายตื่ตูมเนี่ย นอนอยู่ตอคนต้นตาลลูกตาลหล่นลงมาตุ๊บนี่โอ้ยแผ่นดินถล่มแล้วแบบนั้นแนะ่ะเรียกว่ายันเห็นอะไรดูอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเองสักแต่ว่ารู้ดูแล้วก็ปล่อยวางทําใจให้เป็นอุบเบกขาทาใจดีสู้เสือกันแล้วกัวกนพูงง่ายดูว่ามันจะทําอะไรก่อนมันไม่มีอะไรหรอก ถ้ามีมันถ้ามันจะทําเรามันทําเรามันต้องนานแล้วล่ะทำไมต้องมารอตอนที่มันให้เราเห็นก่อนมันถึงจะมาทำเราเช่ไหมนอนนอนนอนหลับนี่มันก็มาบีบคอเราได้แล้วถ้ามันจะทําเราได้แล้วพวกนี้มันมังจะแปลกมันจะโผล่ตอนที่เราอยู่คนเดียวถ้าอยู่หลายคนมันไม่กล้าโผล่ ใจระหวาดาวาปรุงแต่งไวเง้เองเขาเรียกอุปท า, านไงอุปท า, านคิดปรุงแต่งไว้เองเวลาอยู่คนเดียวนี่ผีเผอมาหมด <c oughs> เวลาอยู่ด้วยกันนี่ไม่ไ ม, ไม่กล้ามา ผ, ผีถ้าจะให้เกิดปัญญาก็ปองมันเลยอ่ะมันยังมากยอมตายฮะยอมตายแล้วก็ สบายเลยพอปองได้แล้วที่ต่อไปจะไม่กลัวอะไรแล้วคนเราที่กลัวจริงๆก็กลัวความตายนี่เองพอยอมตายแล้วต่อไปนี้มันจะไม่กลัวอะไรแล้วไม่มีเราจะให้กลัวแล้วอันนี้ก็จะบรรลุบรรลุธรรมเลยหลุดพ้นจากความกลัวตายได้ ไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของอประทานเท่านั้นแหละแต่การภาวนาไปนี่มันจะเจอเหตุการณ์เหมือนเสมือนจริงก็เรียกว่าเสมือนจริงผีอั้มอย่างเนี้บางทีจะรู้มันตอนที่มันกําลังเคลิ้มๆเลยเครึ่องหลับเครื่องตื่นเนี่ยเหมือนบางทีมีผิถูกยกขึ้นมาทุ่มไปอะไรก็มีนอนแล้วถูกอะไรไม่รู้ยกขึ้นมาแล้วก็ทุ่มไปทุ่มลงกับพื้นตั้งดังตั้งเลย แต่มันไม่เจ็บหรอกก็ะแต่มันในความรู้สึกมันมันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเหตุการณ์ในฝันอย่างนั้นเน่ยแต่มันเหมือนจริงอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตมันมันหลอกเราก็ไงนะอย่างถ้าภาวนาไปเยอะๆเนี่ยมันจะต้องเจอของพวกนี้ ค่อยตั้งสติไว้ว่ามันเป็นผีอำหรือว่าเป็นเรื่องของจิตมันหลอกเราเล่นทดสอบใจเราดูทดสอบปัญญาเราดูว่ารู้ทันมันหรือเปล่าปล่อยวางมันได้หรือเปล่าให้รู้ว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่นั้นเอง <c oughs> อย่างมากก็แค่ตายใช่ไหมอะไรจะเกิดขึ้นอย่างมากก็แค่ตาย แล้ยังไงยังไงมันก็ต้องตายอยู่อยู่ดีอยู่แล้วร่างกายนี้ไม่มัมนที่ไม่มีร่างกายของใครที่จะไม่ตายถ้าเราเห็นอนิจจังเห็นความตายแล้วยอมรับความตายแล้วไม่ว่าะจะเกิดกับเราเนี้มันไม่เป็นปัญหาแล้วเราเราับได้ทุกทุกรูปทุกแบบนั้นพยายามจะเลยมานั้นมาเนี่ น, น้สติอยู่บ่อย ฝกตายอยู่บ่อยๆพอตายไปแล้วต่อไปเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็จะไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่ไม่เคยได้ยินพระอาจารย์เทศเกี่ยวกับเรื่องอทุดดงเลยครับไม่ทราบว่ามาจากทุดดงบ้างไหมครับคำว่าทุดดงมันแต่ว่ามันมีสองความหมายความหมายของที่ญาติโยมเข้าใจกันก็คือ การแบกกดแบกบาดแบกอะไรแล้วก็เดินไปไปไปเดินอยู่ในป่าแล้วก็ไปปักกรดไปภาวนาอยู่ในป่าเพื่อที่จะได้อยู่ปลีกวิเวกห่างไกลกับ เ, เหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่จะมาคอยรบกวนเรื่องของการภาวนาทีนี้สมัยนี้เราก็มีวัดป่าอยู่แล้ววัดป่าก็เป็นที่สงบสงัดวิเวกที่เราสามารถ ภาวนาได้เหมือนกับการไปทุดดงในป่ามันก็เท่านั้นมันก็เลยไม่จําเป็นจะต้องไปทุดดงให้มันเสียเวลาอยากจะเดินแบบ ก, กดก็แล้วก็แบบ ก, กดแบกบาตเดินในทางจงกลมก็ได้ในในวัดเนะี่ยเดินมันไปเลยอยากจะเดินตะกี่กรโลก็เดินไปก็ได้มันก็เหมือนกันคือการไปทุดดงนี้เป้าหมายก็คือการไปปลีกวิเวกไปหาที่สงบส ง, งัด ใจจะสงบได้กายต้องสงบก่อนท่านนั้นเองนี่คือเรื่องของการไปปิกวเวกไปทุดงเพราะถ้าอยู่ยสมายก่อนนี้อาจจะไม่มีวัดป่ากันอยู่วัดบ้านกันเป็นหลักวัดบ้านมันก็มีกิจการมีงานศพงานบวชงานบุญงานอะไรมีเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องภาวนางานะพระท่านก็เลยต้องไปทุดงกันไปอยู่ตามป่าตามเขากัน ในยุคของหลวงปู่มั่นนี่ท่านเห็นคุณค่าของการอยู่ป่าอยู่เขาท่านก็เลยสร้างวัดป่ากันขึ้นมามก็ไม่ต้องไปทุดงกันก็มีที่ภาวนาอยู่แล้วที่สงบสงัดมไม่มีใครมารบกวนก็เลยไม่ต้องไปทุดงที่ไหนให้มันเหนื่อยยากดังนั้นการทุดงเนี่ยต้องในป่าเท่านั้นไม่ใช่ในเมืองใช่ไหมครับทุกทดงแปลว่าปลีกวิเวก หาสถานที่สงบสงัดห่างไกลาจากแสงสีเสียงห่างใจใกล้าจากราบยศสรรเสริญไม่ใช่ทุดงแล้วก็เอาบาดมาตั้งรับเงินงนี่ไม่ใช่บางทีมาปักกนแล้วก็มาเป็นหมอดูอันนี้ไม่ใช่หรอกทุดงจริงจะต้องไม่มีใครรู้ว่าเราทุดง เพราะเคาะการทุดงก็คือเพื่อที่จะไปปีกวิเวกไปหะไปอยู่ห่างไกลจากคนนั่นเองแต่คำว่าทุดงนี่มันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือทุดงขวัตสิบสามข้อด้วยกันอันนี้ก็เป็นขวัดที่ผู้ไปปีกวิเวกจะปฏิบัติเพราะามันจะเสริมความเพียรมันจะทำให้การภาวนานี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายสะดวกรวดเร็ว ถ้าเป็นน้ำมันก็คือใช้95แทนที่จะใช้91นี่ก็เติม95มันจะมีกำลังมากกว่าทุดง13ข้อนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของปัจใจสี่ของพระนี่เองเช่นเกี่ยวกับการขบฉันก็คือหนึ่งก็ทูดงว่าที่ให้บินตบาทเป็นวัดก็คือจะไม่จะไม่จะต้องบินตบาดถึงจะฉันเวลาจะฉันจะต้องบินตาบา จะไม่จะไม่ให้ญาติโยมนากับข้าวกับปลาอาหารมาเลี้ยงโดยที่ตนเองไม่เป็นบินธบาติถ้ า, า จ, จะชันวันไหนก็ต้องบินธบาตเ ท, ท่านั้นจะต้องเอาคือเพื่อที่จะทำให้ไม่เกียจคร้านหนึ่งแล้วก็ไม่แสวงหาอาหารตามความอยากซึ่งสมัยนี้พระมีมีเงินทองกันบางทีขี้เกียจบินทบาตแต่อยากกินหูปลาฉลามก็สั่งให้เด็กไป ลูกิไปซื้อมากินได้แต่ถ้าถือทุดงขวัตก็จะทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจะฉันก็ต้องบินตบาดถ้าไม่ฉันก็ไม่ต้องบินตบาดเช่นถ้าอยากจะเล่งความเพียอยากจะอดอาหารอย่างนี้ก็ไม่ต้องบินตบาดอันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็ฉันในบาตรก็คืออาหารทั้งหมดที่จะฉันนี่ให้ใส่ไปในภาชนะเดียวใส่ไปในบาตรเพื่อไม่ เพื่อให้เพื่อไม่ให้รับประทานเพื่อให้ฉันเพื่อรสชาติเพื่อความอร่อยอร่อยให้ฉันแบบฉันเป็นยาอะไรก็ได้ใส่เข้าไปบางองค์ท่านก็ใส่ไปในบาตแล้วยังไม่พอท่านคนมันเข้าไปผัดให้มันเป็นเหมือนอาหารอาหารจานเดียวไปเลยอย่างนี้จานนี้เพื่อตัดกิเลสเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการขบฉันแล้วก็ฉันมือเดียวก็คือ ฉันคนเดียวก็พอวันหนึ่งไม่ต้องฉันหลายครั้งปกติถ้าไม่ถือทุอ่นงควาตก็ฉันถึงเพนได้ถ้าแต่เช้าถึงเพนนี่จะฉันสามสี่ครั้งก็ฉันได้เช่นตื่นมาบางบางแห่งเราเห็นตื่นตืขึ้นมาก็เอากาแฟขนมปังก่อนประมาเดี๋ยวก็โจ๊กอีกชามนึ ง, งแล้วเดี๋ยวเพนก็มีอีกเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าทุ่นงควาตก็จะกําจัดปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้ฉันมื้อเดียว ฉันในบาทบินตาบาทเป็นวัดเนี่ยพระบางรูปนี้บางทีไม่บินตบาดเลยนะพระในเบื่อบางรูปเราเห็นถ้ามีญาติโยมนําอาหารมาเลี้ยงเพนอยู่ทุกวันพระเจ้านั้นก็เจ้านี้ไม่เจ้านี้ก็เจ้านั้นถ้าช่วงไหนว่างก็ให้เด็กจัดการได้เด็กไปซื้อมาได้อยากจะฉันอะไรก็สั่งมาได้อย่างนี้มันก็ไม่ได้อยู่แบบพระมันก็อยู่แบบคารวะผู้คลองเรือนดีๆนี่ ในเรื่องของการขบฉันแล้วมีข้อหนึ่งก็คือไม่รับอาหารหลังจากบินธบาติคือจะรับแต่อาหารที่ได้จากการบินธบาติสมว่าไปบินธบาตกลับมาที่วัดญาติโยมตามมาจะอาอาหารมาถวานนี่ไม่รับล้วบอกพอละมากเกินไปอย่างที่วัดต่าบ้านตาในช่วงเข้าพรรษานี่ท่านก็จะถือทุดงเข้าวัดข้อนี้เขาก็เลยต้องไปตั้งแถวอยู่ที่หน้าประตูวัดใส่บายกันที่หน้าประตูวัดกัน มันก็เลยโหโกลาหนกันใหญ่อที่สายหน้าประตูวัดนี่โหมันต้องเอากระมังมาถ่ายกันแต่เป้าหมายก็คือเพื่อกําเพื่อปรามกิเลสตัณหาความโลภความอยากได้มากๆเอาเท่าที่พออยู่ได้ก็พอเป็นบินตาบาทได้เลยมาในเต็นบาทนี่ก็พอแล้วแต่ที่ทุกวันนี้ต้องถ่ายบายไม่ใช่เพราะว่าอยากจะอยากจะได้มากมาแต่มันเป็นเรื่องความภาวะจำยอม พอมีศรัทธาญาติโยมต้องการจะทําบุญเราบอกให้เต็มบาทว่าล้วพอกับวันนี้เขาก็คนอื่นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกวันนี้อะไรต้องมีเด็กถือกระป๋งมาคอยพอใส่สองสามคนก็มันก็เต็มบาทละอาหารกับข้าวกับปลาหารทุกวันนี้ก็ต้องมาคอยหยิบออกหยิบออกไปไอ้บินตาบาทที่เราบินทุกวันนี้ที่เรานับคนปกติก็วันละร้อยร้อยลายขึ้นไปถ้าวันพระก็สองร้อย ถ้าวันพระใหญ่ก็สามลอยอย่างเช่นวันวันเทศกาลอะไรนีถ่ถ้าพระอาจารย์ให้พรได้คงประมาณสี่ชั่วโมงอะแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องให้พรอย่างเงีญาติโยมก็ไม่เข้าใจว่าให้พรถูกก็ไม่ถูกใจของญาติโยมเนี่อยากจะรับพรกันแต่ญาติโยมไม่เข้าใจหลักของการบินธบามว่า บบญทบาทนี้พระสำรวมท่านไม่พูดไม่อะไรท่านมารับอาหารมาโปรดสัตว์ให้ผู้ที่มีความอยากจะได้บุญมาทำบุญไม่ได้มาให้พรก็อย่างการทำบุญการใส่บาตรก็ไม่ได้ใส่บาตรเพื่อรับพรใส่บาตรเพื่อรับบุญเท่านั้นเองนั้นการบบญทบาทมาในอดีตน่ไม่มีการให้พรเงนที่ทีนี้ระยะหลังมีพระท่านอยากจะหาจุดขายมังหา หาจุดเด่นกันเดี๋ยวนี้พระสมัยนี้ต้องหาจุดขายจุดเด่นกันเนี่ยบางวัดก็เนี่ยบางแห่งก็บางองค์ก็ต้องให้พรถึงยอดเด่นบางแห่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีชื่อเปลี่ยนชื่อภูบาจารย์ให้ชื่อมานี่ยไม่ไม่ไม่ชอบนามสกทุกพระพระทุกรูปมในเวลาบวชนี้พระอุปชาจะให้ฉายามาะเช่<ม>นอภิชาโตอภูริทัตโตนี้ฟังแล้วมันไม่มันต้องเป็น อะไรบ้างขึ้นมาต้องเป็นปู่บ้างมันต้องมีจุดขายจุดยืนที่แปลกกับเขาไงคือมือนกับว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะเขาไหมสมัยนี้เป็นการการตลาดจะค้าสินค้าของตนให้ขายดีขายดีมันต้องมีแบรนด์เนมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสล้ลวนๆแต่เราไม่ว่าท่านนะท่านอยากจะทำอะไรก็ท่านทำไป อันนี้ขอขออภัยด้วยถ้าไปก็ทบระเทืนกับใครด้ไม่มีเจตนาจะว่าเพียงแต่พูดตามตามหลักธรรมเท่า น, นั้นเอง<ม>ว่าคนมาบวชนี่ยบางทีไม่รู้เจตนาของการบวชเพื่อที่จะมาทําลายอัตตาตัวตนกิเลสตัณหานี่กลับมายึดอัตตาตัวตนกลับมาส่งเสริมอัตตาตัวตนให้เด่นให้ดังกว่าผู้อื่นมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมา ญาติโยมบางองค์ก็ไม่บางคนก็ไม่เข้าใจทําไมพระให้พรไม่ไดใ้ให้ได้ถ้าอยากจะให้เนี่ยมันให้ได้แต่มันมันไม่ชมันไม่มได้อยู่ในหลักของการบินธบาตโรสัตว์แค่นั้นเองถ้าอยากจะรับพรก็มาที่วัดสิมาซึ่งความจริงนะสมัยก่อนก็ไม่มีการให้พรเพราะว่าการทําบุญนี่มันได้บุญอยู่แล้วพรนี่ยพรนี่ใครก็ให้พรกันได้อย่างปีใหม่ญาติโยมก็ให้พรกันอยู่แล้วใช่ไหมส่งบัตรสอประสะวาวนันกันไปหมดเลย แล้วมันได้ผลหรือเป่าพรที่ให้กันเนะ่ะมันไม่มีอะไรหรอกมันเป็นลมปากเปล่าๆดีๆนี่ความสุขความเจริญนี่มันเกิดจากการปฏิบัติตนของเราเองไม่ได้เกิดจากการให้พรของผู้อื่นการให้พรนี้จึงเป็นการส่งเสริมความหลงงมงายให้มีมากขึ้นไปแต่เนื่องจากมันถูกฝังเข้ามาในจิตใจของชาวพุทธเราแล้วเนี่ย มันก็เลยต้องจำยอมเช่นเวลาญาติโยมถวายข้าวของแล้วก็ต้องยะถาสัพพีกันไปจริงๆไม่ต้องยะถาสัพพีหรอกยะถาไปทําไมบุญได้แล้วทําบุญก็เพื่อความสุขความเจริญไม่ใช่ก็ได้แล้วเนี่ยทําไปแล้วมันก็ได้แล้วพอนี้มันไม่ได้อะไรจริงพอนี้มันเป็นคําสอนเสียมากกว่ายะถาสัพพีนี้เป็นการสอนว่าการทําบุญของเรานี้มีอ น, นิสองส์อยู่สอง สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถแบ่งบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้อันนี้เรียกว่าส่วนของญะต า, าเพราะส่วนของสัพเพก็แสดงอันนี้สงของการทำบุญว่าจะทำให้เราเป็นคนอ่อนน้อมทำให้เราเป็นคนมีความเจริญก้าวหน้าด้วยอายุวันนะสุขภาระอันนี้ก็คือเป็นการบอกสอนธรรมะท่านเองแต่เราไม่สนใจคําแปลกันเน ขอให้ฟังญาถาสัพพีจบด้วยพลังฮะเนี่ยอายุวันโนสุขขังพลังอสสาทู่กันมันก็เหมือนเดิมชีวิตจิตใจของเราก็เหมือนเดิมมันไม่ได้ดีขึ้นวนวดเลยลงจากการได้รับพรหรือไม่ได้รับพ่อนแต่อุปทานนี้มันเกิดความรู้สึกว่าดีขึ้นมาแล้วคนไม่สบายนี่ก็รู้สึกหายไข้เลย เวลาพราไปยฐาถาสัพพีที่ข้างเตียงเนี่ยพอพระอายุวนโนสุขขังพลังเนี่ยโอ้รู้สึกหายเลยหายเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาสมเหมือนเดิม ถ, <c oughs> ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือกุศโลบายครับอาจารย์ือเปล่าครับไม่รู้กุศโลบายอะไรนะทำให้คนได้อิอนมเทอร์กับบุญที่ทำอะไรเงี้ยครับอาจารย์แต่มันเป็นบุญปลอมเหมันเป็นมันเป็นของปลอม จริงมันเป็นบุญอยู่แล้วถ้าเราทำบุญถูกวิธีแต่ส่วนใหญ่เราทำบุญไม่ถูกหลักของบุญกันเราทวมบุญเพื่ออยากจะได้ผลตอบแทนกันมันเลยไม่เป็นบุญแล้วมันเป็นการซื้อขายมันเป็นการแลกเปลี่ยนพอเราไม่ได้เราก็เลยพอเราไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราได้อะไรแต่ถ้าเราทำโดยที่เราไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนเราทาเพื่อ สงเคราะ์ผู้อื่นให้ผู้อื่นก็มีความสุขนี้เราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีอันนี้แหละคือบุญคือความสุขใจความสบายใจแต่คนไม่ได้ทำบุญเพื่อความสุขใจความสบายใจกันบางทีทำเพื่อสะดะกขาช่วงนี้ค้าขายไม่ค่อยดีก็ทำบุญหน่อยเพื <c oughs> ่อจะไดา้ค้าขายดีขึ้นช่วงนี้โดนเมียด่าบ่อยนักก็ไปทำบุญนิดหน่อยเมียจะได้ไม่ดา่า <c oughs> มันเป็นเรื่อง เรื่องเรื่องของการแลกเปลี่ยนกันอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เลยคิดว่าเป็นทําบุญแล้วจะได้กลับมาก็เลยไม่รู้ไม่รู้ผลของการทาบุญที่แท้จริงว่าทําเพื่ออะไรกันทําเพื่อละความตณีละความโลภเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหาหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองเพื่อที่เราจะได้ มีเวลามาปฏิบัติธรรมมาภาวนากันอันนี้ต่างหากคือเรื่องของการทำบุญที่แท้จริงอตมันมันมันหลงประเด็นไปแนละ้วกลายเป็นทาบุญเพื่อให้ได้ไม่ไม่ใช่ทาบุญเพื่อให้เรามีอิสรภาพมีเวลาที่เราจะได้มาภาวนากันมาปฏิบัติธรรมกันก็อย่างว่าแหละมันทุกอย่างนี่สื่อมันก็เป็นสิ่งที่มีทั้งคุณมีทั้งประโยชน์ เหมือนกับมีดนมันก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษใช่ไหมอยู่ที่ผู้ใช้ว่าใช้เป็นหรือใช้ไม่เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็เอ า, เ อ, าเอามีดมาทิ่มแทงตัวเองได้แต่ใช้เป็นก็สามารถที่จะเอามาทําประโยชน์ได้เอามาหั่นผักหั่นเนื้อหั่นทําอะไรทํากับข้าวกับปลาได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ใช้ว่าจะใช้ไปในทางไหนเราไม่เคยคิดจะใช้มันมาก่อนนะแต่พอดีมีคนอื่นเข้ามา ใช้แทนให้หลายเข้ใช้เพื่อเป็นการเป็นสื่อเพื่อเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เราก็ไม่คัดค้านเพราะเราเห็นว่ามันก็เป็นประโยชน์เพราะคนที่ไม่สามารถที่จะมาฟังเทศฟังธรรมได้เดี๋ยนี้สามารถอยู่ที่ไหนก็สามารถฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมได้แล้ ว, ลวก็อยู่ที่เจต <7, S 2> อยู่ที่เจตนาว่าท่านใช้เพื่ออะไร ถ้าท่านใช้เพื่อเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี้เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ทางด้านธรรมะก็ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่น่าจะชื่นชมยินดีแต่ถ้าท่านทําเพื่อโปรโมตตัวท่านเอง<ม> ห, รอหรือเพื่อที่จะเป็นเรื่องของสังคมนี่<ม>ก็ไม่ถืลอละเพราะพระนี่เป็นเป็นบุคคลที่ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับสังคมไม่วควรจะเก็บตัวปีกไม่เวกไม่ควรที่จะ รู้จักคนคนที่จะมาพระที่จะมารู้จักคนนี้เป็นพระที่บรรลุธรรมแล้วถึงจะมารู้จักคนที่มาเกี่ยวข้องกับคนอย่างพระพุทธเจ้าหกปีแรกที่ของการบวชนี้ท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยแต่พอหลังจากที่ทรงตัดสติแล้วทีนี้ท่านมาเกี่ยวข้องกับคนทุกทุกระดับเลยใครนิมนต์ท่านมาท่านก็ไปในวังนิมนต์ให้ท่านไปโปรดท่านก็ไป แต่ตอนที่ท่านยังไม่ตัดสโลนี้ท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยท่านเปีกวิเวกอยู่ในปา่าพยายามที่จะภาวนาเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะดับความทุกข์ดับความอยากต่างๆให้หมดไปภายในใจพอใจท่านบรรลุแล้วทีนี้ท่านก็ทำอีกหน้าที่หนึ่งแล้วจากหน้าที่ที่เป็นนักเดินก็มาเป็นอาจารย์แล้วแต่สมัยนี้มันมันข้ามขั้นจาก พอมาบวชปั๊บยังไม่ได้เป็นนักเรียนั้นก็มาเป็นอาจารย์กันแล้วมันเป็นอย่างนั้นกันแล้วมันก็เอาอะไรมันก็เอาเรื่องบ้าๆบ้าๆบ่ๆม า, า, า, า, าสอนกันทาให้คนหลงงม ง, งายกันเห็นผิดเป็นชอบกันไปหมดของถูกก็เลยกลายเป็นของผิดไปของผิดก็กลายเป็นของถูกไปพระบินทบาตแล้วไม่ให้พรก็แสดงว่าพระนี่ใจไม้ไส้ตะกรรมไม่เมตตา แต่พระองค์ไหนให้พรนี่โอ้ยพระองค์นี้เมตตามหาเมตตาเป็นอย่างนั้นไปการการแชร์สถานะข้อความครับพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าเป็นคำที่โดนๆนะครับที่หนักๆคนจะชอบกันเยอะครับเช่น เรื่องหมาเกิดเป็นหมาที่ล่าสุดเนี่ยต้องลักษณะนี้ครับคนถึงจะชอบครับต้องพูดตรงๆมีคนแชร์ต้องหมื่นกว่านะแชร์ไม่ถึงครับแต่ว่าไม่รเห็นเห็นหมื่นกว่าคนเห็นแต่แชร์เยอะแต่ถ้าธรรมะนี่อย่างมากก็แค่พันกว่าเทนนี่ก็พันกว่าครับ แต่ท้ที่ที่คนไปไปลงข้อความว่าถ้าถ้าทำบุญแล้วไม่รักษาศีลนี้ตายไปจะต้องไปเกิดเป็นหมาที่สวยงามในคนเอาไปเลี้ยงโอ้คนดูกันเป็นหมืน่นทำให้เข้ากลัวครับอาจารย์เข้ากลัวึ้นามาคนนี้ก็จะ<า>สาติมบ้าง F ะเฟซบ o ๊อ่าทุกอย่างคงต้องข้ามพระวินยัยทุกอย่างอยู่ที่เจตนาทั้งหมดนะครับอาจารย์ ถ้าเจตนาไม่ดีก็ก็ถือว่าผิดถ้าเจตนาดีก็คงไม่มีอะไรผิดแล้วก็ต้องคือสถานภาพของตนด้วยว่าตนอยู่ในสถานภาพไหนถ้าตนยังเป็นนักศึกษาอยู่อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องกิจกรรมใช่ไหมบุ่งไปเรียนให้จบปริญญาก่อนกิจกรรมก็ทําพอหอมปากหอมคอพอไม่ให้เสียสังคมเท่านั้นเองแต่อย่าเอาแต่กิจกรรมจนไม่เข้าห้องเรียนเลยอันนี้มันก็จะเสียตัวเองอจะเสีย เพในที่สุดก็จะต้องศึกลาสิขาลาเพศไปกันเพราะเมื่อมายุ่งเกี่ยวกับคนแล้วเดี๋ยวจิตมันจะร้อนมันยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกามเนี่ะเรื่องรูปเสียงกิจลดผละพระนี่เดี๋ยวมันก็ต้องร้อนขึ้นมาอย่างแน่นอนผ้าร้อนแล้วมันก็อยู่ไม่ได้หรือถ้าอยู่มันก็อยู่แบบปัดสีกันอยู่แบบที่เราได้ยินได้ข่าวได้ฟังกัน ฉันผู้ที่บวชนี่ต้องสำรวมกายสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายไม่ดูไม่ฟังไม่เกี่ยวข้องกับกายปิกเวกๆอย่างเดียวเรียนหนังสือให้จบก่อนปฏิบัติให้จบก่อนพอจบแล้วทีนี้จะเจอจะดูจะฟังอะไรนี้จะไม่เป็นปัญหาจะไม่มีความรุ่มร้อนเกิดขึ้นมาภายในใจผู้ผู้ที่บวชนะครับอยู่ในผ้าเหลืองแต่ว่า มักสร้างวิชาทิฏฐิให้ผู้ที่มามาม า, มาร่วมวงด้วยนะครับมไม่มีอานิสงส์ของการบวชนะครับพระอาจารย์ก็จะทำให้หลงกันนะจะทำให้าศาสนาเสื่อมเป็นการทำลายาศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวเพราศาสนาจะเจริญได้นี่ต้องเกิดจากการมีสัมมาทิฐิมีปัญญามีการบรรลุมีการหลุดพ้นหลุดพ้นคนเดียวนี่สามารถ ทำให้ศาสนาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสั้นวัองเดียวเนี่ยทำให้ศาสนามีอายุเอียแนวหนึ่งห้าพันปีได้แต่ความหลงนี่แหละจะเป็นตัวที่จะทำลายศาสนาให้หมดไปมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยพ่อคะพระมังนีนท่นท่านท่านปฏิบัติจบแล้วอ่ะท่านก็มโยแล้วท่านก็บอกว่านั้นเดี๋ยวก็ โยมก็ไปปฏิบัติกับท่านด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยอย่างน้กไม่รู้จะพูดยังไงท่านบอกว่าโยมก็บอกว่าการปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติตามลำพังของเราการการศึกษานี้ท่านนั้นถึงจะเข้าหาผู้สอนเช่นเรา ต้องการฟังเทศฟังธรรมหรือเรามีปัญหาเราไม่เราไม่เข้าใจธรรมะในส่วนไหนติดขัดในตรงไหนเราก็เข้าหาผู้รู้ถามปัญหาหรือฟังเทศฟังธรรมไปพอฟังแล้วก็กลับไปปฏิบัติของเราตามสถานที่ปฏิบัติของเราไม่ใช่ไปปฏิบัติร่วมกันนั่งต่อหน้ากันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติต้องปฏิบัติตามลําพังจะได้ผลดี ่เนียโยมผู้หญิงเนี่ยอาจจะถูกพรนหลอกกันเยอะเพราะพระอยากจะอยู่ใกล้โยมผู้หญิงก็หาเรื่องขออนุญยครับพระที่ท่านจะเป็นพระที่ที่งแนวทางเวลาโยมไปหาเนี่ยส่วนมากจะบอกว่าเป็นทุกข์นะอยากได้ตำแหน่งอยากได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าก็จะทิ้งแนวทางให้บางคนก็ พอพระพอระท่านแนะนําไปกไไ็ได้ได้ได้รับประโยชน์บางคนก็ไม่ได้อยากครับาถ้าอยากเข้าเป็นแนวทางของพระนะพี่ที่ที่เดียร์สันไม่เนาะพระชี้ทางดับทุกข์ด้วยการตัดความอยากเท่านั้นไม่ใช่ส่งเสริมความอยากเพราะว่ามันความอยากมันจะไม่หมดไปไงพอได้ในพันแล้วก็อยากจะได้ในพนต่อแล้วนไงมันก็จะ ถ้าก็ชอบจะได้กลับมาหาเรื่อยจะได้กลับมาทําบุญอยู่เรื่อยจะได้มีรายได้อยู่เรื่อยเหมือนเมื่อกี้ท่านคิดอทางว่าโยมโยมต้องมาทําอย่างนี้นะไปแก้กรรมประมาณเนี้ครับเออก็นั่นแหละแล้วยิงทําไปก็อย่างนั้นแหละได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การกระทำนั่นหรอกมันเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของความบังเอิญมากกว่าพอดีมันจะได้มันก็เลยได้ขึ้นมาแค่นั้นเอง ถ้ามันได้ก็ทํามันทุกครั้งดูเดี๋มันจะได้หรือเปล่าใช่ไหมต้องการอะไรก็ไปทําอย่างนั้นดูทุกครั้งมันจะได้ดังใจหรือเปล่ามันไม่ได้หรอกคนที่เขไม่ทําเข้าได้ก็มีเยอะแยะไปแตความอยากนี้มันทําให้หูหนวกตาบอดไปหมดเอาแล้วนะอาลนะอากระาเยอะแล้ว